ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องนิพพานสิบสามโดยพ่อท่านพัวทิรักษ์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2515นาสาาหม่ณาามอมอาบวัดทาตทองเนื่องจากเทปชุดนี้ได้แสดงไว้นานแล้วระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนคณะผู้จัดทำอยากจะให้หมู่เราได้รับฟังการแสดงธรรมในอดีตของพ่อท่านบ้าง จึงได้จัดทำออกมาขอเชิญท่านเลือกเฟ้นเอาสารธรรมได้นะบัด น, นี้ค่ะ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนิพพานพูดกันทั้งเรื่องของผลนิพพานนีเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของผลที่จริงเราเองเราไม่ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันนักหรอกแต่ว่าอาตมาจะพยายามเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะพูดนี้เป็นเรื่องของความยากลําบากหรือเป็นเรื่องที่มันละเอียดลึกซึ้ง เราก็พยายามดึงมันลงมาให้มันหยาบบ้างหรือให้มันพอฟังได้บ้างให้มันเข้าใจได้บ้า ง, งก็จะค่อยๆลดลงมาตามลําดับตามลําดับจะพูดกจนกระทั่งถึงว่าในสภาวะที่เราจะพึงปฏิบัติไปกับสภาวะที่มันหยางเข้าไปถึงเนื้อหาแท้แท้แท้แท้ของมันอย่างนั้นนิพพาน13ก็คงจะไม่ ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนละที่อาตมาเรียกว่านิพพานสิบสามนี้ก็เพราะเหตุว่าอาตมาเองได้รวบรวมนิพพานนี้ขึ้นแต่ไม่ใช่รวบรวมเองโดยอัตโนมัติหรอกรวบรวมจากนิพพานที่มันเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเอาไว้แล้วนั่นแหละมาด้วย เอาภาษามาและอาตมาก็เอามาเรียบเรียงตามสภาวะที่อาตมาเองรู้โดยตนเองเอามาเรียบเรียงขึ้นแล้วก็จัดหมวดจัดหมู่เข้าเรื่องของมันจะลึกลับซับซ้อนหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยเอียงเอียงท่ามาตรงนี้มาหาไอ้กระดานดำนิดหน่อยก็จะจะ เ, เขียนชื่อของนิพานที่สิบสามลงไปบนกระดานซะก่อน แล้วก็จะขออธิบายรูปนามอาตมาจะพูดถึงลักษณะทั้งรูปทั้งนามของนิพพานทั้งหมดนั้นด้วย <c oughs> นิพพานอันที่หนึ่งเรียกว่าตัทังคะนิพพาน อันที่สองเรียกววิขมพนะวิขำพณะนิพพานนะเ อ, เอาสองอันซะก่อนสองอันนี้เป็นนิพานนนพานที่จะต้องกระทาเป็นนิพพานที่จะต้องกระทาสำหรับ บุคคลที่เราเรียกว่าโยคะบุคคลคือผู้ที่กําลังประพฤติโยคะเนี่ยผู้กําลังปฏิบัติของโยคะบุคคลนิพานสองอันนี้ทุกๆคนที่เราประพฤติธ ท, ทำก็เราประพฤติทำเพื่อที่จะได้นิพานเพราะฉะนั้นนิพานที่เรากําลังประพฤตินี่แหละเราจะต้องให้มันได้สองอันนี้ให้ได้เสียก่อน ไม่ใช่เราตทำทันทีทันทีทันทีพอทาปุ๊บจะให้มันปฏิบัติไปถึงนิพพานอสุดท้ายยอดโดยทันทีมันไม่ได้หรอกเพราะงั้นลักษณะคำพูดที่เราเอามาเรียกหรือชื่อที่ท่านมาเรียกเนี่ยท่านก็จัดระดับเอาไว้การอ่อนการแก่เอาไว้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงรูปนมามอะไรแต่อะไรต่างๆอัตมาก็จะขออธิบายคําว่านิพพานให้ฟังสักเริ่มต้นแต่แรกสักก่อนว่านิพพาน มันมาจากรากสัวกะอะไรโดยความหมายโดยอัถะโดยเนื้อหาสาระอะไรของมันจริงๆมันหมายความว่าอย่างไรนิพพานโดยภาษาเต็มรูปของมันเขียนอย่างนี้นอสระอิพอพานสองตัวแล้วก็สระอานอหนูเรียกว่านิพพานแล้วเราก็เข้าใจความหมายตามแต่ใครจะเข้าใจไปอย่างไร ดานศัพท์ของคําว่านิพานเนี่ยมันมาจากคําว่านิคำหนึง่งผานคำหนึ่งที่จริงมันไม่มาถึงกับนิพานอย่างใหญ่อย่างยาวนี่หรอกมันมีนิอย่างนี้กับผา น, นะอย่างนี้นี่นิพานภาษาทางด้านสันสกฤตเขาก็นิระวาน ภาษาสันสกิตนิระวานเหมือนกันนิระก็คือไม่วานะหรือภานะอันเดียวกันภานะหรือวานะนี่อันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันตัวพอภาน์กับตัววแหวนเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันพันะเราก็เรียกว่าป่าวันะเราก็เรียกว่าป่าทั้งสองป่านั่นแหละพันะก็ป่าวันะก็ป่าหรือ ภาษาแท้ๆของคําว่าวันละหรือพรรณาเอาวันละดีกว่าถ้าเอาพนรณประเดี๋ยวจะงงเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงพรรณาที่จริงศัพท์แต่เดิมของมันพานเนี่ยมันมาจากคําว่าพรรนาวานก็มาจากคําว่าวันละมาจากคําว่าวันละหรือพรรณาอย่างนั้นพรรณาหรือวันละนี้มันก็คืออ่านภาษาไทยชัดๆ ก็คือวนวนนี่เองเอาเอาเอ า, เอาที่ตัวเข้าใจาชัดๆเลยวันนะหรือวนทุกคนก็คงจะเคยได้ยินวัด ต, ตะก็วนวันนะก็วนเพราะฉะนั้นไอ้ความวนนี่แหละที่มันไม่รู้จักจบความไม่จบนั่นเองนี่แปลว่าไม่ ถ้ามันวนอยู่ตราบใดมันก็ไม่จบถ้ามันไม่วนมันเป็นยังไงถ้ามันไม่วนซะมันไม่วนซะมันก็จบมันก็หยุดมันก็สิ้นไอ้ที่มันเป็นทุกข์หรือมันทรมารมันหรือมันเป็นวัฏฏะสงสารมันอะไรแต่อะไรอยู่ในนี้ก็เพราะมันวนมันวนเดินอยู่นั่นแล้วเวียนอยู่นั่นแล้วเพราะฉะนั้น ท่านถึงบอกว่าอย่าทำให้มันบนหยุดเสียเบื่อใครทำให้เกิดไม่วนได้ก็จบเพระาะฉะนั้นนิพานแท้ๆไม่ได้แปลอื่นเลยนิพานแท้ก็คือไม่วนไม่วนนี่แหละคือนิพานก็ น, นี้ก็ไม่ไอพานหรือพานะก็บอกแล้วก็พานะวณะรากศัพท์มันมาจากกันนั้นคือไม่คือบนทีนี้อาตมาอยากจะ ให้ความหมายหรือว่าให้ให้ให้ความรู้อีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมจากภาษานิดหนึ่งภาษาในใ น, ในโลกนี้มันกลับไปกลับมามันเกิดมาจากสภาวะพอสภาวะโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วมัน ก, ก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาไอ้คำว่าวันณะเนี่ยถ้าเผื่อว่าละากลับตัวซิเป็นนาวะหรือเหมือนกันนภะก็เหมือนใจก็ใครเคยได้นกพระนะ นกะก็เหมือนกันแหละนวะหรือนพกพระหรือนภะก็เหมือนกันเขาแปลว่าใหม่นานโดยภาษาที่เขาแปลกันแล้วอันนี้ก็แปลว่าใหม่หรือแปลว่าก้าวคำว่าก้าวนี่ก็หมายความว่าเดินนั่นแหละที่จริงมาจากคำว่าเดินมาจากคำว่าไม่หยุดก้าวมันไม่หยุดหรอกถ้าศูนย์ มันหยุดทาหนึ่งมันเริ่มแล้วมันเริ่มออกไปแล้วถ้าศูนย์นี่มันหยุดถ้าหนึ่งมันไปแล้วต่อแล้วสองต่อไปอีกด้วยสามสี่ห้าเจแปดเก้าเพราะฉะนั้นเลข9้าเนี่ยเขาเขียนคนที่ออกแบบเลขนี่นะพระาราพระเจ้ารามคำแหงนี่เก่งจริงเลยที่จริงเก้า ออกแบบได้เก้าเนี่ยก็กแค่เนี้ขึ้นหนึ่งนี่เองแล้วต่อจาบอกว่าหนึ่งนี่มันยังวนอยู่นะที่จริงมันออกมาวนเนี่ยศูนย์นี่มันไ ม, ไ, มไม่มีอะไรแล้วพอเวลามันหนึ่งก็หมายความว่าออกมาแล้วแค่นี้หนึ่งที่จริงหนึ่งทีนี้พอเป็นหนึ่งชัดๆแล้วบอกไอ้ออกมาแค่กิ่งเดียวนี่เลพอนะออกไปอีกไม่รู้นับกิ่งไม่ได้คล้ายๆกับเครื่องหมายละได้เก้า ก็ให้เรียกว่าให้รูปมันสวยให้รูปมันถูกต้องตามสภาวะเลยมันออกไปไม่รู้จักจบเพราะเป็นหนึ่งถึงเก้าต่อจากเก้าไปอะไรศูนเพราะฉะนั้นรูปล่างของเลขไม่อยู่แค่นี้ในโลกรูปร่างของเลขไม่อยู่เท่านี้ในโลกหนึ่งถึงเก้าจะเขียนไปอีกเท่าไหร่ก็เขียนไปสิเขียนสิบเขียนสิบเอ็ดสิบสองสิสาก็เลขหนึ่งถึงเลขเก้านี่แหละไม่มีเลขอื่นเพราะฉะนั้นเลขเก้าก็ถึงเป็นเลขที่สูงสุด เนี่ยเลขเก้านี่คือ เ, เลขที่สูงสุดไม่รู้จักจบถ้าเก้าอยู่ตราบได้ตราบได้แล้วก็เก้าไม่รู้หยุดอ่ะเก้าไม่รู้จบลเก้าไปอยู่นั่นน่ะเดินเดินเิดเดินอยู่นั้นไม่รู้จักจบบนมัอยู่นั่นน่ะนะเพราะฉะนั้นความหมายของคํามันเดียวกันความหมายของคํามันเดียวกันถ้าบางคนไม่รู้จักจบมันก็เก้าไม่รู้หยุดหม่คืออะไรใหม่ก็คือเกิดใหม่ก็คือเกิด เกิดมเรื่อยมันก็ใหม่เรื่อยแต่ถ้าเกิดแล้วผ่านไปเป็นไงเป็นเก่าถ้าเก่าเป็นไงก็ตายไอ้ของเก่าก็คือของที่ผ่านแล้วของที่ดับแล้วของที่พ้นแล้วของที่หมดแล้วเก่าแต่ไอ้ใหม่เป็นไงเอาไปเรื่อเยเกิดใหม่เรื่อยไอ้ใหม่ที่เกิดเรือยเป็นเรื่อยมีเรื่อยเรียกว่าใหม่เรื่อยไปความหมา ย, ายมันก็ตรงกันโดยภาษา ถ้าเผยว่าวนก็หมายความว่าไม่รู้จบคําว่าวนก็ไม่รู้จบคําว่าน ว, วะหรือกลับกันจากภาษาวะ่ะนะวะนะไม่รู้จบวนอยู่เรื่อยเดินอยู่เรื่อยน ว, วะก็เหมือนกันแหละใหมยอยอหอ่อยู่เรื่อยหรือก้าวอยู่เรื่อยแต่ทีนี้เราเองเราไม่รู้จักสัจธรรมเราไม่รู้จักไอไอสภาวะสัจจสภาวะเราก็เลยมาติดภาษาแล้วก็บอกว่าถ้าภาษาคําว่าใหม่ มันไม่เหมือนกับคําว่าวนนะไม่เหมือนกับคำว่าเวียนคอาวนนี้ถ้าเราแปลภาษาออกเวียนคําว่าใหม่กับคาว่าเวียนคนละคำนะคนที่หลงเปลี่ยนเลยถ้าบอกว่าคําว่าเวียนกับคําว่าใหม่เรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องคนคิดว่าจะบอกว่าคนละเรื่องแล้วถ้าคําว่าเวียนก็เป็นลักษณะหนึ่งถ้าคําว่าใหม่เป็นอีกลักษณะหนึ่งแลแต่โดยแท้จริงใครเห็นบ้างไหมว่าคําว่าใหม่กับคําว่าวนนี้อันเดียวกันหรือคําว่าใหม่กับคําว่าเวียนอันเดียวกันใครเห็นบ้างไหม คนไปหลงสมมุตินะ่ะแต่แท้จริงมันไม่ใช่หรอกมันเรื่องเก่าทั้งนั้นแหละมันเรื่องเดียวกันหมดคําว่าเก้าก็วนคําว่าใหม่ก็วนเพราะฉะนั้นแม้แต่จะเกิดเอาคําว่าเกิดมาใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่มันยังมีคําว่าใหม่อยู่มีคําว่าเก้าอยู่เรื่อยอยู่หรือมีคําว่าวนอยู่เรื่อยอยู่มีคําว่าไม่รู้จบอยู่เรื่อยอู่ก็คือการเกิดอยู่ไม่รู้จักหยุดย่อนนั่นเองไม่มีตายไม่มีการตายนี่แหละวันนี้ นี่คือรากสับอาตมาพอพูดถึงคําว่านิพานก็เลยอยากจะแจงเรื่องรากสับให้มันให้ฟังได้ละเอียดเรียบร้อยวันน้เพราะว่าผู้ใดสามารถที่จะกระทําได้ไม่ให้มันวนมีนิเข้าไปไม่นินี่แปลว่าไม่ไม่ให้มันวนไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเก้าไม่ให้มันมีใหม่อีกแล้วไม่มีให้หมีไม่มีใหม่ไม่มีเก้าให้มีแต่ศูนย์เท้ ไม่ให้มีแม้กระทั่งหนึ่งเก้านี่ลดมันลงมาเรื่อยแปดก็คือเก้าลบหนึ่งเจ็ดก็คือเก้าลบสองหกก็คือเก้าลบสามห้าก็คือเก้าลบสี่ให้มันลดต้องมาไอ้ตัวเก้านี่มันลดตองมาเรื่อยเก้าจนกระทั่งเหลือหนึ่งหนึ่งก็คือเก้าลบแปดพอศูนเก้าก็ไม่มีพอลงถึงศูย์เก้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้มันเป็นศูนย์ให้ได้จึงจะเรียกว่าจบลงไป ถ้าคายงจบลงไปไม่ได้อย่างนี้มันก็ต่อหัวต่อหางแล้วมันก็ก้าวมันก็วนมันก็ใหม่อยู่เรื่อยไปเอาละนี่ของคำว่านิพานนะภาษาสันสกฤตนิรวานอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อ ร, รู้รากศัพท์แล้วเราก็จะไม่พูดถึงรากศัพท์อีกทีนี้ก็จะมาเริ่มต้นนิพานที่ได้กลืไปแล้วว่านิพานอันแรก คืออะไรใครเคยอ่านหนังสือท่านพุทธทาสมาหรือไม่ตัดพุทธทาละโดยภาษาบาลีเขาก็แปลกันว่านิพพานเนี่ยมันแปลว่าเย็นเย็นก็ได้ก็เหมือนกันที่อาตมาว่าแล้วว่าวนหรือนะวะมันแปลว่าใหม่คําว่าใหม่ก็คําว่าวนโคนะคำเป็นภาษาโคละคำยึดสพยึดกันโคนะคำแล้วก็เลยพยายามทําทสร้างสภาวะใหม่ขึ้นมารับรองภาษาเรื่อยไป แต่แท้จริงมันอันเดียกันเยน็นกับไม่วนมันก็อันเดียวกันไม่เกิดมันก็ตายมันก็มีแต่ดับลงดับลงดับแล้วไปไงค่อยๆดับล ง, บล ง, ไไ ง, บลงมันก็เย็นลงเย็นลงถ้าโลกเนี่ยมันหยุดหมุนไปไงหรือว่าโลกเนี่ยมันก็ค่อยหมุนช้าลงช้าลงช้าลงไม่ค่อยวนวนคือมันหมุนหมุนก็วนก็ตัวเดียวกันมันไม่ค่อยหมุนมันช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงโลกนี่จะเย็นลงไหมเย็ยนลงแน่นนน จริงโ ล, ห ล, ยยนนโล่หยุดหมุนเลยเย็นสนิทไหม้าโลนหยุดหมุนเลยมันก็เย็นเจี๊ยบเลยมันจะ ม, มีอะไรเย็นเจี๊ยบเลยมันก็ถูกเมื่อวันไม่หมุนหรือไม่วนซะแล้วมันก็เย็นเจี๊ยบเลยนะมันก็อันเดียวกัน่ะเราต้องพยายามคิดให้ถึงถึงสภาวะอย่าไปคิดแค่ภาษาพยายามอย่าง ถ้าใครรู้สภาว่าแล้วเสร็จนะไอ้ภาษานี่เป็นของหลอกทั้งนั้นเลยแล้วมันมาตั้งเรียงชื่ออะไรต่อะไรอย่างลงไปหาเนี่อันเดียวกันเรื่องเดียวกันหมดเลยาาาอาทิตย์นี้กลับมาหาเริ่มต้นนิพพานใหม่นิพพานตั้งต้นเริ่มต้นฟังให้ดีนะอัตมาจะพยายามตั้งหลักด้วยรูป ก, กับนามได้รูป ก, กับนามได้รูป ก, กับนามได้รูป ก, ก, ก, ก, ก, กับนามเรื่อยไป ลักษณะคําว่ารูปกับนามนี่เดี๋ยวนี้เราฟังรูปกับนามโดยจโดยที่เรียกว่าเราไปเคยฟังเขาอธิบายรูปนามแต่รูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนแล้วก็ไม่เอาสติปัฏฐานอะไรไปว่ากันแต่รูปนั่งรูปนอนมันมันชักจะไปฝังความเข้าใจอย่างนั้นให้มากแล้วมันเป็นการยึดติดโดยที่จริงรูปนามมันไม่เที่ยงรูปจะไปยึดว่าไอ้นี่เป็นรูปแท้แท้จริงเที่ยงอยู่ก็ไม่ได้ นามเราจะเป็นยี่ไบนี่เป็นนามแท้แท้เทียงเทียงอยู่อันนี้จะไมเรียกไอ้รูปจะไม่เรียกว่านามไม่ได้ไอ้นามจะไม่เรียกว่ารูปก็ไม่ได้อันนั้นยังยึดผิดอยู่เพราะฉะนั้นเข้าใจให้ได้ให้เทีทเท่ยงแท้ตามสภาวะที่จะอธิบายเรื่อยๆไปอย่าไปยึดภาษาอย่างเดียวนิพพานสองตัวนี้นิพพานสองตัวนี้โดยลักษณะของมันแล้วลักษณะของวิคัมพนะณนิพพานนั้นเป็นรูป ลักษณะของตทางพะนิพพานนั้นเป็นนามทำไมเรียกว่านามตทางคนิพพานทำไมอัตมาเรียกว่านามเรียกว่านามเพราะว่าผู้ที่จะนิพพานแบบต่ทางคะนั้นเป็นผู้นิพพานด้วยปัญญาเป็นผู้นิพพานอย่างรู้เป็นผู้นิพพานอย่างรู้ ไม่ใช่นิพานอย่างดับไม่ใช่นิพานอย่างไม่เกิดหรือไม่วนแต่วิขัมภนะนั้นเป็นการนิพานอย่างไม่ใช่อย่างปัญญาแต่เป็นอย่างดับปัจจมาจะใช้คำว่าอย่างดับเป็นอย่างที่เรียกว่าไม่รู้เป็นอย่างไม่รู้อันนี้ต้องยกตัวอย่าง ถ้าเผื่อว่าเราเกิดความร้อนขึ้นมาหรือว่าเราเกิดความเจ็บขึ้นมาเราจะเกิดความคันก็ได้เอาความคันดีกก่าคันขึ้นมาที่ร่างกายตรงนี้มันคันทีเดียวสมมุติว่าเราเป็นขี้กลาดอยู่ตรงแขนนี้เมื่อมันเป็นขี้กราดขึ้นมาแล้วเราอยากให้อาการขี้กราดนี้หายไป ว่ามันเป็นทุกข์มันคันคันขยออรคันที่ไรก็ทุกทุกทีน่นี้สำหรับคนจะดับความทุกข์นี้คืออะไรเก่ายิ่งเกาก็ยิ่งพุกยิ่งพุกก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งพุกไอ้การเกาเนะี่นะเราขียความคันออกไปหน่อยเดียวไม่ได้ดาความคันนะที่จริงเราขี่ความคันออกไปหน่อยเดียวพราอ้ความคันมันถูกเราเขี่ออกไปได้หน่อยหนึ่ง เออรู้สึกสบายมันต้องเคี่ยเรื่อยนะมันถึงจะสบายเรื่อยเพราะเคี่ยวไปทีละหน่อยนี่มันไม่ได้ดับจริงเนี่ยตัวคันมันยังอยู่ เ, เรื่อยไปก็เขี่ยเรื่อยไปก็ยิ่งเขี่ยยิ่งไปผิวหนันกงอออ ก, ก็ยิ่งเลือดออกสิก็ยิ่งเขี่ยมากก็ยิ่งแดงยิ่งเลือดออกเรื่อยเรืนี่เรียกว่าการดับความคันโดยวิธีคนไม่รู้นะทีนี้ถ้าคนใดที่จะดับความคันให้มันได้จริงๆ โดยวิธีเก่าอย่างนั้นเรียกว่าตื้นอย่างตื้นมากถ้าจะดับจริงๆหมายความว่าดับอย่างภาษาว่าให้มันว่างหรือให้มันเย็นหรือให้มันหยุดลงหรือให้มันดับลงเป็นนิพพานนั่นละก็ถ้าจะอาศัยภาษาว่าวิคขมภณนะหรือว่าดับหายทุกอันนี้เราก็พยายามลืมมันเสียไม่คิดถึงมันเสียไม่คิดถึงได้จริงๆลืมมันได้จริงๆ มันดับได้จริงๆนี่เรียว่าเราไม่มีปัญญานะคือลืมไม่นี่ขาดไปเลยเหมือนมันไม่มีอยู่ที่เราเราจะทำได้วิธีหนึ่งวิธีลืมจริงๆนี่ยากจะทำได้วิธีคือนอนหลับมันเสียไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเสียถ้าใครนอนหลับมันเฉลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไอ้กิการคันนี่ก็จะหายไปเหมือนกันทุเลาไปได้หรือเอาแผลนี่ปวดก็เหมือนกันมันปวดถ้าแผลนี่มันปวดก็เหมือนกัน ถ้ามันปวดเราเอายามาบําบัดมันเ อ, เอายามาทาบําบัดหรือกินยาปวดบําบัดปวดเข้าไปข้างในถ้าไม่เอายามาันปวดปวดเข้าไปข้างในก็เอามาทาข้างนอกมันก็บําบัดได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่ใช้ยาละตอนนี้เราไม่ใช้ยาหมายความว่าเราจะดับด้วยตัวของเราเองเพราะถ้าดับด้วยวิธีวิคขมพนประหารหรือขมพ น, นิพานเราก็คือลืมมันพยายามไม่นึกถึงอันนี้ลืมมันยากอาตมาจะ ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายที่สุดก็คือเรานอนหลับมันเสียถ้าใครไม่นอนหลับแต่ถ้าใครนั่งสมาธิได้นั่งทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกอันนี้นั่งหลับตาเป็นสมาธิทําเจโตฌานตัดความรู้สึกจากอีตรงแผลตรงนี้ที่มันคันหรือที่มันปวดตัดความรู้สึกนี้ได้เลยนั่งอันนี้แหละเราเรียกว่าวิคัมพนนิพานวิคัมพนะปะหาน คือเราไม่รู้มันไม่รู้จักกับมันเสียทำความไม่รู้จักกับมันทิ้งมันออกไปโดยที่เราไม่มีปัญญารู้เหตุรู้ผลอะไรเลยไม่มีปัญญารู้เหตุรู้ผลแต่ว่าเราไม่รู้จักตัวมันเพราะฉะนั้นโดยอาการที่ว่าถ้ามันเป็นแผลอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่แขนเราเนี่ยเราไม่รู้จักมันได้เหรมันอยู่ที่เราใช่ไหมเพราะแผลนี้มันเป็นของเรามันอยู่ที่เรา ถ้าจะไม่รู้จักตัวมันก็คือตัดแขนโยนทิ้งไปเสียที่นี้มันไม่ตัดแขนไปแผลมันก็ต้องอยู่ที่เราเราจะไม่รู้จักมันไม่ได้มันต้องรู้จักมันแน่แล้วมันจะต้องอยู่ที่นี่แน่เพราะแขนก็แขนของเราแผลนี้ก็อยู่ที่แขนของเราเพราะฉะนั้นเราจะดับมันหรือเราจะนิพานมันลงเราจะว่างมันลงเราจะไม่ให้มันมีทุกข์แผลอันนี้จากแผลอันนี้เราจึงต้องมหาวิธีไม่รู้จักกับมันโดยวิธีลืมทํามันลืมมันเสียหรือ นอนหลับแล้วก็ลืมมันไปมันก็ไม่ปวดหรือนั่งทาสมาธิดับลงไปนี่ทำได้อาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าอาการของโยคะบุคคลที่เขากำลังหาวิธีดับทุกข์กันแบบนี้อาการของวิคัมพนาิพานนี้จึงเป็นอาการของการเดินเจโตสมาธิซึ่งเป็นลัทธิของทางศาสนาทางฤาษีชีพายอื่นๆที่เขาพยายามสอนกัน ได้เหมือนกันแต่เป็นแบบลืมชั่วคราวถ้าเราลืมมันไม่ได้พอมันทาเป็นลืมพอมันมารู้สึกอีกมันก็ปวดอีกอย่างเกา่าหรือถ้าเรานอนหลับไปถ้าเราตื่นขึ้นมามันก็ต้องมาปวดอีกอย่างเกา่าหรือเรานั่งสมาธิฌานเข้าไปพอพ้นออกจากฌานมามันก็ปวดอย่างเกา่าแ่นี้มีความ อ, ออกฤทธิ์ออกเดชเท่าใดเท่าใ ด, าดมันก็ออกฤทธิ์อยู่อย่างเกา่ามันไม่ได้หายเป เพราะเราไม่ได้ตัดดับที่ต้นเหตุจริงๆตรงที่แผลตรงที่แผลหายเพราะฉะนั้นการดับแบบนี้จึงเป็นการดับชั่วคราวท่านจึงเรียกว่าเป็นการดับแบบหินทับญ้ากหินหินทับญ้ากทามันไว้ชั่วคราวเฉยถ้าบอกว่าเราเอาไอหินออกเสียมันก็จะไม่ดับทุกอันนี้มันก็ไม่ดับนี่จึงเรียกว่าวิคขำพนะนิพานดับได้ชั่วคราว อาการของตะทางคณ น, นิพพานเอตะทางคณ น, นิพพานกับอาการของวิคัมพนานิพพานนี้เป็นอาการการดับชั่วคราวทั้งคู่เป็นอาการดับชั่วคราวทั้งคู่แต่ว่าอาการมันคนละอย่างนี่อาจจะมาอธิบายวิคัมพนาก่อนที่ น, นี้พระพุทธเจ้าท่านเองท่านก็เคยเรียนวิคัมพนามาแล้วจากาศาสดาอื่นท่านบอกว่าเอออันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่จริงมันไม่เก่งเท่า ถ้าเก่งเท่าแล้วแล้วก็เราควรจะอย่าไปดับชั่วคราวเป็นว่านอนหลับไปหรือเป็นว่าทำชานลืมไปหรือเป็นทําไม่รู้เฉยๆเราอย่าไปทําอย่างนั้นนะเราใช้ปัญญาสิเราใช้ปัญญาสิาญญาสดับอย่างรู้เสียงใช้ปัญญาดับอย่างรู้อย่างไม่ใช่ว่าปักไปให้เป็นรูปรูปคือหมายคําว่านิ่งไม่รู้เรื่องแล้วคําว่ารูปเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนของมันแล้วมันไม่พึงอีกแล้ว นั่นเรียกว่ารูปถ้ามันยังปรุงอยู่เรียกว่านามเมื่อมันยังปรุงอยู่ปัญญาเรารู้อยู่เรารู้สึกอยู่เราจะดับแผลอันนี้ลงไปไม่ให้มันปวดถ้าโดยใช้ปัญญาเราก็พิจารณาว่าถ้าแม้แผลนี้มันปวดหรือมันคันเราก็ให้รู้ว่าเหตุอะไรมันจึงปวดเหตุอะไรมันจึงคัน ให้รู้สาเหตุมันลงไปเลยถ้าเราไม่รู้สาเหตุโดยสภาวธรรมที่แท้จริงว่าแผลอันนี้มันเกิดมามันปวดอาการปวดมันเกิดจากจิตไปรับจิตอาการปวดเป็นอาการของสิ่งหนึ่งอยู่ในนี้แผลมันจะต้องมีเชื่อมีตัวเชื้อโรคมีตัวอะไรที่มันเจาะมันเป็นอะไรอยู่มันทำปฏิกิริยากันอยู่ในระหว่างแผลนี้ถ้าเรารู้ไปได้อย่างนั้นเป็นปัญญาชั้นสูง แต่ในตอนแรกๆถ้าเราไม่ย่ไม่รู้โดยวิธีนั้นเป็นปัญญาชั้นต้นท่านก็บอกว่าเราจะดับลงไปไม่จำเป็นจะต้องลืมหรอกไม่จำเป็นจะต้องทำความไม่รู้มันหรอกเราดับโดยปัญญาใชปัญญาชั้นต้นใช้ยาใช้ยาทำไมใช้ยาลงไปฆ่าเชื้อโรคนั้นเพราะเรารู้ต้นเหตุมันแล้วมันปวดมันเจ็บ มันมีเหตุอันหนึง่งเหตุตื่นคือเหตุของเชื้อโรคที่มันทำแผลอันนี้ให้เราเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็เอายาเข้าไปฆ่าเชื้อโรคเสียฆ่าต้นเหตุฆ่าสมุทรไทยที่มันทำให้แผลของเรามันเจ็บมันปวดนี่เราก็ดับด้วยได้ถ้าเราฆ่ามันลงไปได้จริงแผลนี้ก็จะหายจริงการเจ็บการปวดก็จะหายขาดจริงแต่ถ้าเราฆ่ามันโดยไม่จริง ถ้ามันได้หมายข็ว่าเอายาใส่ลงไปแล้วไอ้ตัวเชื้อโรคอ่อนเปลียไม่ทำงานมากความเจ็บความปวดก็น้อยลงมันก็จะเป็นการระงับได้ชั่วคราวแต่ทางค่าหมายความว่าเป็นชั่วคราวเป็นช่วงช่วงตทางค่าคือช่วงตัดระหว่างเป็นช่องระหว่างฉะนั้นในวัตทางคะาเป็นช่วงช่วงค่าไปได้เป็นคราวๆเป็นงวดปวด พราะงั้นถ้าบอกว่าเราฆ่าได้โดวยวิธีฆ่าไปชั่วคราวเราก็เรียกว่าจะทางคันิพพานแท้แต่ถ้าฆ่าโดยจริงหมายคำเอายานีนฆ่ามันก็ชั้งแผลหายเลยโดยปัญญาของเรารู้ต้นต้นทางของมันแท้แท้เป็นสมุทัยทยแท้ว่าเออมันเกิดเพราะเชื้อโรคมันแล้วเราใช้ยาฆ่ามันจริงจริงไม่ใช่มายาก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่อะไรเฉยเฉยแล้วเราก็ไปนั่งทําำลืมเอาหรือไปนั่งเข่าชานเอาหรือไปนอนหลับเอาให้มันไม่รู้สึกมีทุกข์เพราะเหตุว่าแผลเฉยเฉย แต่นั้นไม่ว่ายัางไม่พอยังไม่มีปัญญานี่เรียกว่าขั้นตะทางกับประหารหรือว่ากัขั้นตะทางนิพพานเมื่อประหารอย่างนั้นได้แล้วมันจะนิพพานจริงๆแผลนั้นก็จะหายทุกข์นั้นก็จะพ้นไปนี่ในระยะตน้นบางคนที่เคยได้ฟังอาตมามาพูดมาแล้วเลยว่าถ้าเป็นอาตมาอาตมาไม่ใช้ยาประเดี๋ยวจะเพิ่งไปพูดถึงเรื่องนั้นนะนี่อาตมาพูดถึงระดับที่หนึ่งระดับปัญญาชั้นต้นชั้นธรรมดาชั้นธรรมดา อย่าเพิ่งไปคิดไกลประเดีย๋ยวจะประเดีย๋ยวจะงงเพราะไอ้เรื่องที่จะไปรู้สมุทัยของในโนนในเรื่องของรูปของนามชั้นกายกับจิตชั้นในและจะมาฆ่ากันยังไงเอาอะไรไปสู้กับเชื้อโรคโดยไม่เอายาไอ้นั่นมันอีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดยาวไปถึงโน้นประเดีย๋ยวจะเลอะเทอะนี่อาจามาอธิบายเป็นระดับระดับชั้นแรกของโยค้าบุคคลเพราะฉะนั้นผู้ที่จะค่ายทุกระดับต้นอย่างที่อาจามายกตัวอย่างแค่แผลก็แค่นี้ อย่างนี้ยังไม่พอหรอกตัวอย่างแค่นี้นะยังไม่พอที่เราจะเข้าใจนิพพานสองตัวนี้ก็ขอยกตัวอย่างให้ฟังให้มันลึกละเอียดเข้าไปด้วยเพราะว่าไอ้แค่นี้เป็นเรื่องของวัตถุ ง, ง่ายๆแต่ในเรื่องของนิพพานที่เราจะมาพูดถึงว่าการดับนิพพานดับทุกข์อันนี้มันไม่ใช่แค่ทุกข์มีแผลทุกข์มีอะไรเจ็บๆแค่นี้ไม่ใช่แต่ทุกข์ที่ว่านี้มันเกิดในจิตจิตเพราะอะไรจิตของคนเราไปยึดถือ ยึดถืออะไรารายต่างๆนานาเยอะแยะเลยเมื่อยึดถือเข้ามากๆแล้วเราเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เราอยากให้มันพ้นทุกข์นั้นเราก็พยายามหาทางที่จะดับทุกข์นั้นโดยจิตของเราไปยึดเอายกตัวอย่างขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจิตของเราที่มันทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันนี้มันก็มีหนึ่งราคะสองโทสะสามโมหะราคะตัวนี้แหละสาคัญมาก ราคะเราไปราคะอะไรเราราคาก็คือเราไปที่ในยึดถือเราไปที่อยากได้ไปอยากมีอยากกินอยากนุ่นอยากนี่อยากอะไรอยู่เอา ง, ง่ายๆชั ด, ช ด, อ, ยด อ, อยากได้เงินอยากได้เงินเมื่อเราอยากได้เงินขึ้นมาเมื่อไรเราเป็นทุกข์คนทุกวันนี้ไม่รู้เราไร้การอยากได้เงินนี่เป็นทุกข์ นั่งอยู่นี่อัตมาเชื่อทุกคนไม่ปฏิเสธเพราอยากได้เงินอัตมาเชื่อเลยใครปฏิเสธแม่ว่าไม่อยากได้เงินมีไหมมีไหมที่นั่งๆอยู่นี่ใครปฏิเสธม่งว่าไม่อยากได้เงินยากอาจจะตอนนี้รู้ตัวรู้ทันก็คิดว่าได้ไม่อยากได้โดยไม่อยากได้แต่อยาเลยในส่วนลึกของจิตเนี่ยมันอยากอยู่อยากอยู่มานานแล้วก็ยังอยากอยู่ยังไม่จบหรอกยังอยากได้อยู่เอามาให้เอาแน่ นะนี่เป็นความจริงนักคิดไม้จริงใจบางใจเป็นกลางไม่อย่าไปเข้าข้างตัวเองว่าเอยฉันเก่งแล้วฉันไม่อยากได้แล้วเงินเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากได้อย่าพึ่งบางใจเป็นกลางจริงจรงก่อนว่าถ้าเขาเอามาให้เราจะเอาไหมบางคนอาจจะบอกว่าถ้าใครเอามาให้สักห้าสิบังบาทนึิเดี๋ยวนี้ไม่เอาจริงอะ่ะแต่เขาเอามาให้ล้านหนึ่งนี่จะทนไหวไหมถ้าเขาไม่ให้ล้านนึงจะทนไหวไหมลองนึกดูนะมันจะจริงไหม ถ้าจริงแล้วหมายก็ว่าเราไม่อยากได้หมดเลยเรารู้สมมติว่าเงินนี่มันเป็นของสมมติจริงๆและเราก็ไม่ต้องใช้ชีวิตเราไม่ต้องเยวกับเงินจริงๆนะแต่ึงจะใช้ได้จริงแต่ในระยะแรกเนี่ยถ้าเราอยากได้เงินอยู่อันนี้ท่านบอกว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นทุกข์แต่คนไม่รู้ว่าการอยากได้เงินเป็นทุกข์เนื่อว่าการอยากได้เงินเป็นความธรรมดาเป็นความเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่คนทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงคนทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะคนทุกคนถูกมัดไว้ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานแต่พระอริยะท่านท่านเข้าใจกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อเข้าใจกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วท่านก็จะไม่อยากได้เงินเมื่อไม่อยากได้เงินเมื่อไม่อยากได้เงินมันก็จะต้องหาทางตัดความไม่อยากอันนี้ถ้าเราฝืนเฉยเฉยถ้าเรากําลังคิดอยู่ว่า มีจุดมุ่งหมายว่าวันนี้ถ้าเราไปตรงนั้นนะเขาจะให้เงินเราเราก็อยากจะไปเอาละถ้าเราไปหานายกวันนี้นายกสัญญาว่าว่ามาสิมาบ้านแล้ว่วจะให้เงินลืมื่นหนึ่งวันจะอยากไปเอาหละไอความอยากอันนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นทุ ก, กข์ก็โลภสิมันเป็นโลภไปละ เพราะงั้นใครยังไม่เห็นหรอกว่าโลกเป็นทุกข์คนธรรมดาทํานาเห็นว่ามันขอธรรมดาธรรมดาถ้าโลกก็เฉยๆนี่อยากได้เงินไม่เห็นทุกข์ตรงไหนนี่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนทตัดหารกมาที่ตะทางคนิพานอีกทีหนึ่งใหม่มมนิคําพระนิพานได้อธิบายไปแล้วในรูปรอ ย, อยนี้จะเข้าใจง่ายง่ายแต่ในตะทางคณิพานนี่มันจะเข้าใจยากอีกหน่อยอาตมาได้สมมุติแล้ววา่าถ้าสมมุติว่าเขาจะเอาอาเงินให้เรา บอกว่านู่นละหมื่นบาทไปเอาสิก่าให้เงินเลยเราเองถ้ามีตัวโลภะอยู่ก็เนื้อเต้นเลยอไม่เป็นไรฉันเช่าแท็กซี่ไปก็ได้เดินไปก็ได้ยังไงก็ได้จะพยายามไปทีเดียวไปเอาเงินนั้นจะไม่เห็นความทุกข์ว่าแม้แต่เราจะก้าวย่างออกจากที่นี่เพื่อที่จะไปเอาเงินนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอะไรไปฉันก็จะไปเอาเพราะจุดมุ่หมายว่าถ้าเราได้เงินมามืนบาทนั้น มันเป็นกำไรเป็นของที่ได้สมใจมากกว่าไม่เป็นทุกข์แต่ทุกข์จริงๆนั้นเขาไม่เห็นว่าเขาเดินทางไปเอาเงินมาเนี่ยก็ทุกข์และแม้เอาเงินมาแบกเอาไว้นี่ก็ทุกข์เขาไม่เห็นนะอ่าทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไปเอาเราจะเกิดความทุกข์กบ น, นั้นแต่คนธรรมดาไม่รู้ทุกข์หรอกเมื่อไม่รู้ทุกข์จึงต้องามาพยายามคิดให้ออก คิดได้ออกพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าเราหลงในลาบเราหลงในยศเราหลงในสันเสริญเราหลงแล้วเราก็อยากได้เพราะโลภและเราก็จะไปเอาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักเอาไว้อย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดตัดราบตัดยศตัดสันเสริญคือไม่โลภเสียอันนั้นจะเป็นสุขอันนั้นจะพ้นทุกข์ถ้าเราตัดอย่างนี้ได้ด้วยความเข้าใจของเราด้วยปัญญาของเรา ด้วยความเข้าใจจริงๆอย่างรู้จริงๆว่าถ้าเราเองเราไม่ไปเอาเงินอันนี้เราได้ปฏิบัติธรรมถูกตามแนวของพระเจ้าอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งเราก็พยายามอย่างลงไปให้เป็นความจริงด้วยว่าก็ถ้าเราไม่โลกอย่างนี้นะอย่างที่นายห้างพูดก็ถูกก็เราก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้เขานี่เราไปเอาเงินเขาไอ้คนนั้นเขบอกไปเอาสิหมื่นนึงแล้วอ้จะห้หรือ ก็เราไม่ไปเอาหมื่นหนึง่งเราก็ไม่ได้ไปเป็นหนี้เขานี่มันเป็นของแท้ของจริงนี่เราจะต้องเดินทางไปเอาทำไมล่ะเราไม่มีเงินหมื่นหนึ่งนี่เราก็อยู่ของเราสบายๆเราไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาด้วยจะให้โดยจิตใจบริสุทธิ์อะไรก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ถือว่าเป็นหนี้โดยธรรมดาสมมติกันทางโลกกระชังแต่โดยจริงแล้วสภาวะเขาให้เงินเรามามื่นนึงเราก็ต้องเป็นหนี้เขามื่นนึ่งยืนแน่แนแท้ๆเลย โดยสภาวะสัจธรรมเราต้องเป็นหนี้เขาอยู่มือหนึ่งแท้แท้แม้จะไม่เซ็นสัญญากับทางโลกว่าต้องใช้หนี้กันนะแต่ทางธรรมมันเป็นมันเป็นหนี้กันอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเราคิดไปถึงอย่างนี้ให้ได้เกิดปัญญารู้ไปได้มากเราก็จะรู้ไปได้มากอันนั้นอาตอมาพูดลึกถึงไปแต่โดยปัญญาตื้ตนๆนี่เอาแค่ปูงให้ได้แค่ว่าพระพุธทธเจ้าจะสอนเราว่อย่าหลงราบอย่าหลงยศอย่าหลงสรรเสริญอย่าหลงสุขอย่ามีโลภ เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ไปเอาเงินนั้นไม่ไปเอาเงินที่ก็จะให้1มื่นหนึ่งนั้นเราก็ได้ตัดโลภะอันนี้เมื่อเราได้ตัดโลภะอันนี้เราก็ได้ฆ่าความโลภตัวหนึ่งเป็นตะทังคณิพานอันหนึง่งเป็นการทำนิพานให้เกิดอันหนึง่งถ้าเราไม่ไปเอาจริงโดยจิตของเราก็ไม่เดือดร้อนจิตของเราก็สบายเข้าใจได้แค้แถวอ๋อถ้าเราไม่ไปเอาอันนี้เราได้ตัดโลภ ได้ตัดกิเลสตัวหนึ่งอย่างแน่แน่แท้แท้เลยตัดมันขาดสับัณฑลงไปจิตเราไม่คล่องแวะไม่คิดถึงมันเลยแล้วเราก็บอกปล่อยขาดในเรื่องนี้ไม่คึกถึงอีกนายกอบอกจะให้เงินเราหมื่นหนึ่งเราก็บอกตัดขาดกันเอาละฉันไม่เอาเอาโุิไม่ยับไม่รับอันนี้เรียกว่าตัดทางนิพพานทำนิพพานได้อันหนึ่งคือตัดกิเลสตัวโลภะไปได้ตัวหนึ่งนิพพานอะไร เย็นลงแล้วได้อันหนึ่งเย็นเพราะอะไรวิมุตติเลสความอยากได้เงินหมืน่นอันนั้นหลุดพ้นความอยากหลุดพ้นความอยากอยากได้เงินหมืน่นที่สมมติขึ้นเมื่าจนี้มันวิมุตติความอยากอันนี้ไปได้วิมุตติปัญหาอันนี้ลงไปได้ช่วงหนึ่งอันเดียวอย่างเดียวเรื่องเดียวชาวเดียวอันจึงเรียกว่าตะพังคณิพาน นี่เรียกว่าเกิดด้วยปัญญาเกิดด้วยความรู้รู้อย่างลืมตานี่เองแต่ถ้าเป็นทิ่ขมพนักประหารเอมันรน้นอนๆอยู่ถ้าเราไม่เดินทางไปเอาใจมันก็ยังอยากได้อยากได้จะทายังไงมันไม่อยากได้นอนหลับซะจะได้ลืมไปทำางงานอื่นซะอย่าไปคิดถึงเพื่อ น, เ, นเหมือนกันกับที่บาบัดใจแผลเมื่อกี้นี้ หรือแม่ก็นั่งเขา Smart ้าสมาธิชายไปเลยลืมโลกนี้ม่มีเขาไม่มีเราในกอที่จะให้เงินเราเขาบอกไว้เราลืมเรื่องนี้ด้วยทําลืมลืมไปเฉยแต่มันนี่มันมีปัญญารู้เลยไม่มีปัญญาว่าเราได้ตัดกิเลสไม่มีปัญญารู้เลยว่ากิเลสคืออะไรโลภะคืออะไรไม่รู้เรื่องเป็นแต่เพียงเราจะลื ม, ล, มลืมเรื่องนี้ไปเท่านั้นเองแต่ถ้าว่ามีปัญญ า, ว, าว่างๆมันก็คิดที่ไม่นะเรื่องนี้มันควรมาแห่เราไปเอาก็ดีอะในกอให้หมือนเอาดียัง ถ้ามันมีปัญญาเกิดเป็นคนที่มีอายตนะรับรู้สัมผัสทั้งโลกขึ้นมาเมื่อไหร่มันมีจิตมีใจ utter, มันไม่ลืมอม่ะบาก็คิดอยู่แม้เขาจะให้หมื่นหนึ่งแลเขาบอกไม่มีอะไรเลอเาะเสียไม่มีอะไรเดือดรออนนะด้อนนี่นะเดินตามเอาเมื่อไหร่เขาให้หมื่นหนึ่งมันก็ไปความเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปถ้าทําลืมลืมได้เมื่อไหร่ก็เป็นวิคัาพนะนิพพานมึงคือว่างลงได้เพราะขมมาไว้หรือเพราะทําลืมไปเสียเพราะไม่รู้มันเสียทําลืมลืมมันไปดับมันไปขม <Latinos S 1> <ป>มันไปนี่นา นิพพานแบบไม่จริงนิพพานแบบไม่แม่แท้ทํารืมเป็นชั่วคราวเหมือนกันแต่ชั่วคราวที่มันไม่เข้า่าเลยมันไม่รุดแท้แต่ถ้าอย่างนี้รุดแท้สิเราจะมีปิติด้วยแหมฉันได้ฆ่าโลภะไป็นตัวหนึ่งนะถ้าฉันไม่ไปเอาเงินนี้ที่เขาจะให้ฉันหมื่นหนึ่งฐานไม่ได้ไปเอานี่ไม่เอายิงจริงเลยอย่างนี้เอ้ยฉันไม่อยากได้แล้วไม่แคร์เงินหมื่นนึงจะให้ก็หายไปแล้วไม่ได้เป็นหนี้อะไรกันเลยเราตัดปัญหาตัวโลภะออกอย่างปัญญาอย่างนี้สิ เรียกว่าตัดโปรภะแท้ๆนิพพานตัณหาลงไปอันนึงชัดๆฆ่ามันลงไปแม่มันมาเกิดอีกอย่างรู้ดีอย่างเข้าใจแจ่มแจ้งจึงเรียกว่าตัดทางคณิพานอย่างนามธรรมาอย่างที่มันจังปรุงอย่างแต่งอยู่ยังมีสังขารธรรมจิตเช้นก็รู้รับรู้อยู่ในกอก็ยังอยู่เขาเคยบอกให้ก็ยังจําได้ไม่ได้ลืมไปไหนไม่ได้ทําว่าแกลืมหรือไม่ได้ทําเป็นลืมอะไรหมดเลย นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความอยากนั้นหายไปแล้วไม่เอาเพราะเราจะตัดกิเลศเชื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ตัดโลภะให้อยาบเป็นโลภในลาบอย่าบเป็นโลภในยศนี่ยกตัวอย่างลาบไอเงินหมื่นนึงที่จะไปเอานี่เป็นลาบยกตัวอย่างหนึ่งลาบเพราะงั้นเราอย่าไปโลภในลาบเราทําได้อย่างนี้เรียกว่าตัดทางคณิพานในยศก็เหมือนกันในสันเสริญก็เหมือนกันหรือในกามคุณก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่า แม้มันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดถ้าเกิดอาการอยากกินก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดเราจะต้องไปกินเพราะว่ารถเด็ดไม่อยู่ที่นี่ต้องเดินทางไปกินนั่งรถขึ้นเรือไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดถ้าเราไม่ไปกินเราก็ทุกข์แต่ถ้าเผื่อว่าเราจะไม่ไปกินละเราจะดับทุกอาการนี้เราจะไม่ได้กินสมมติว่าเราจะทำนี้ผ่านเราจะไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดอันนี้ถ้าเราไปกินเราไม่นิพานนะมันเป็นมันเป็นการ บําบัดทางโลกได้สมใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่สมใจนี่เราเราจะนิพพานไอ้ตัณหานี่มันอยากจะกินกเตี๋ยวรสเด็ดเราก็นอนหลับใช่เออลืมลืมมนชนอนหลับไ ป, ไปาาวิคําพนะหรือไ ม, ม, ม่ก็เข้าชามันใชลืมเรื่องก็เตี๋ยวรสเด็ดหรือไม่ก็หาอะไรอื่นมากินแทนซะเฉลียวความบำบัดเป็นวิคัมพนะแกลง้งทําให้มันลืมให้มันดับ ให้มันไม่รู้ให้มันขาดไปเสีโดยวิคัมพนะเราก็ไปได้ชั่วคราวแต่มันไม่กีรังมันไม่เหมือนกับตถังคณิพานอย่างใช้ปัญญาอย่างรู้ให้รู้ให้แจ้งว่าเราไปติดอะไรกับรถเด็ดของมันเนี่ยเราไปติดอะไรพิจารณาให้มันแจ้งพิจารณาให้มันชัดเราไปติดรถที่มันปรุงจากแต่รถเด็ดมันมีอะไรพเต๋ยมีเส้นมีเนื้อมีพริกมีน้ำปูน้ำปลาอะไรต่างๆเราติดอะไรมัน ก็ติดรถมันใช่ไหมที่จริงเราจะกินอาหารอันนี้กินอะไรเรากินเอโปรตีนกินเอคาร์โบไฮเดรกินอะไรเท่านั้นใช่ไหมที่จะได้ในอาหารมันมีเนื้อเอาคิดออกมาเลยถ้าบอกว่ามันจะดับไปจริงบอกคิดออกมาเลยถ้าเราจะกินอย่างนี้ที่จะเห็นว่าถ้าเราไปกินแล้วเราก็ติดกามคุณพระพุทธเจ้าจะสอนว่ากามคุณเป็นกินเลสถ้าเราเอาแก้ขั้น ต, นตน้ตนๆก็บอกว่าเราอย่าไปโลภในกิเลส มันก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นี้ที่สมมติว่าจะไปเอาเงินหมื่นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้บ้างอันนี้เป็นกินเลสเราเราลืมมันเราหยุดมันเสียเราอยาไปกินมันเลยเราอยากเป็นหลงมันเลยไปสมซานกับมันทําไมถ้าเราจะแค่กินอาหารใส่กับพาอล่างกายให้มันยืนยงอยู่กินข้าวเป็นทับโบรฮเลสถ้ามีเนื้อเพราะว่าก๋เตี๋ยวเราเด็ดมันมีเนื้อก็กินเนื้อเรือกินโปรตีนเข้าไปจะมีน้ำปูน้ำปลามีน้ำส้มอะไรจะกินตามนั้นก็กินตามนั้นก็ได้ก็เป็นการสมแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงแต่เราได้ กามคุณเราได้เลิกกามคุณเราไม่โลภ ก, กามคุณเราได้วิมุตจากความอยากในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดนี้ซึ่งเป็นรถรูปรสกลิ่งฉังคือกามคุณเราได้ตัดขาดรถอันนี้เสียเราได้วิมุตเราได้ น, นิพานเราได้ไม่ไปแตะต้องขาดว่างว่างลงดับลงหยุดลงจากกามคุณอันนี้โดยปัญญารู้รู้ด<ต>้เหตุได้ผล ว่าเราจะตัดตัวไหนเรียอมันว่ากิเลตตัวไหนทําอย่างไรวิมุตคือมันไม่ได้ไปแตะต้องกันแล้วมันไม่สัมพันธ์กันมันไม่มาทําปฏิกิริยากันมันไม่มาสังขารธํามกันมันไม่มาสปากันมันอยู่กันคนละสัตว์คนละส่วนเรียกว่ามันไม่มาทํางานร่วมกันเรียกว่าขาดกันแล้ววิมุตกันแล้วหลุดพ้นกันไปแล้วตอนก็เสียรถเด็ดก็อยู่ก็เสียรถเด็ดเราไม่ไปกินเราเลิกเราไม่โลภเอากิเลสอันนี้มาใส่ตน นี่เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็ดับมันลงให้ได้เป็นการกระทาโดยปัญญาของเราตัดขาดลงโดยที่รู้รู้นี่ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาคมหรือไม่ใช่ทำลืมลืมไปหรือไม่ใช่นอนหลับไปเสี้ยให้มันลืมไปชั่วคราวไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะวิมุตต์ได้ทั้งสองอย่างหรือนิพพานได้ทั้งสองอย่างนิพพานอย่างโยคะบุคคลคือบุคคลที่ประพฤติรมนั้นจะต้องหัดทำอย่างนี้ เพรนการหัดทำอย่างตัดทางคณิพานนี้จึงจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิจัยธรรมมีธรรมวิจยะเสมอเสมอเราขนาดที่มีอารมณ์มันอยากอะไรขึ้นมาแม้แต่อยากเดินถามตัวเองเลยจะเดินไปทําไมถ้าเราเดินไปเพื่อที่จะไปมีสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นถ้าเราไม่เอาไม่ได้ไม่เป็นไม่มี ไม่ดีกว่าหรือทนได้ไหมตายชักดิ้นชักงอไหมถ้าทนได้ไม่ตายชักดิ้นชักงอไม่ไปนิพพานมาอยู่นี่เฉยๆหยุดนิพพานก็คือหยุดคือเย็นคือไม่วนไม่เดินไม่ก้าวก็วางนี่เรียกว่าใช้ปัญญาตามถามถ้าเผื่อว่าวิคัมพนะไม่มีปัญญาแบบนั้นเรีรู้ขึ้นมาแต่ไม่มีถ้าวิคัมพนาในกรณีที่บอกว่าแค่จะพิจารณาแค่จะเดินเดาเอแค่นี้ไม่มีปัญญารู้หรอกวิคมพนะ มันไม่สูงถึงตะทางตะทางคณิพานเพราะตะทางคณิพานจึงจะต้องใช้ปัญญาตลอดเวลาวิจัยธรรมใช้ธรรมวิจยยสัมโพชฌงค์ที่ใจเสมอเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะเอาจะเป็นจะมาจะไปอะไรทุกอย่างเลยจะมีกายกรรมวจีกรรมที่มันบรรดาลออกมาจากมโนกรรมที่จิตเราสัง่งทุกประตูเราพยายามเอาธรรมวิจยะพิจารณ า, าเขาไว้มันจะพิจารณาได้ยังไงมันต้องมีสติประกอบนั่นแหละสัมโพชฌงค์ ถ้าไม่มีสติมันก็ทำไปแล้วทำไปแล้วสิ่งนั้นแต่ถ้ามีสติดักก่อ น, นสติดักแล้วถามเลยถามถ้ามันยังทนไม่ได้อาทำมันก่อนแต่ทำมันมันก็ยังไม่เป็นนิพานถ้าไม่ทำได้หลุดเลยว่างหยุดขาดจากอันนี้มันก็เป็นนิพานเราไม่ได้ไปแตะต้องกัสิ่งนี้แล้วเราว่าอย่างสิ่งนี้แล้ววิมุติหลุดพ้นจากสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้ไปทาสิ่งนี้แล้วนี่เรียกว่านิพานอย่างใช้ปัญญา เป็นตะทางนิพพานโยคะบุคคลหรือผู้ที่จะฝึกเป็นผู้ที่จะสูงขึ้นไปให้เป็นนิพพานได้ให้ได้นิพพานทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างโดวยวิธีอย่างนี้ถ้าใครจะทําวิขัมพนะก็ได้แต่มันไม่ได้ผลสูงผลอ่อนกว่าตะทางอย่างที่อาตมาว่านี้มากมากๆที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเพราะงั้นจะะจไปนอนหลับลืมหรือว่าไปนั่งข่มลืมเฉยๆมันได้ผลเหมือนกันมันเรียกว่าเราเวลา ถ้าสมมติว่าเราเองเราเป็นแผลนะเป็นแผลเนี่ยถ้าอยู่ไปอีกถ้าทนทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์ะชั่วคราวไม่ปวดเราหลับไปเสียเราก็ได้ตัดนิพานหรือได้ตัดทุกข์นั้นออกไปเหมือนกันแต่เป็นการตัดทุกข์ไปชั่วคราวนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ขาววนแต่ก็เป็นผลได้เพราะเราได้ตัดทุกข์เหนกันจริงๆนี่เรานอนหลับไปลืมไปไม่ปวดแผลมันก็เป็นการตัดทุกข์แต่ มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่สามารถที่จะทำมันถาวรได้ไม่นานกว่าสิวิคัมพนาพสินานกว่านานวิคัมพนาสินานกว่าไม่วิคัมพนาไม่ใ ค, ครทวเลยวิคัมพนะอ่านิาพานนี่แหละ อ, อ๋อถ้าเผื่อว่าจะทําให้มันไปสุดจนกระทั่งถึงนิพพานขั้นสุดท้ายเลย อ, อาการที่จะฝึกทําอย่างนี้นิพนพานนนิพานใช้เวลานานกวา่าถ้าจะหาดับวิธีนั่งสมาธิวิธีทําเป็นลืมทุกแบบนี้แล้วจะ ส, สั่งสมการดับทุกแบ บ, ก, บ ก, นนก็แล้วแต่บารมีของคนที่ใครมีปัญญาเฉียบแหลมก็คิดประเดียวเดียวก็ได้แต่ใครปัญญาขี้ขื่อก็คิดนานเข้าใจไหม ถ้าขาปัญญาทิดซื่อหน่อยเราคิดนานไม่ค่อยพอใจอ่ะบางไม่เรุไม่ได้นิพานไม่คุโรงเหมือนกันแต่ถูกเพราะว่าเหมือนกัหินทับยาอ่าไม่เที่ยงถ้าประทังคดีพาเที่ยงกว่าถ้าทำได้แล้วเที่ยงกว่าก็ใช่จิก็อดทนมากกว่าเลาหมายเขาไว้เราใจดีสู้เสือล่ะ แล้วจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงกับมันด้วยปัญญาแล้วมันก็สําเร็จลงได้ในมือเราหมายความว่าเราสู้กันโดยที่เราว่าเราตื่นตื่นสู้ไม่ใช่หลับสู้มันถึงต้องถ้ามันสู่กับเสือเสือมันกัดเรามันก็เจ็บละแต่เราฆ่าเสือลงแล้วมันก็สบายแจ่มแจ้งชัดเจนว่ามันตายแน่แต่ว่าถ้าจะเสือมาหลับเลยไม่รู้เรื่องเลยมันจะทํายังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นวิคัมณะมันเป็นแบบนี้มันไม่มันไม่ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องมันจะเอาเราตายหรือไม่เอาเราตายเราก็ไม่รู้ แต่ก็เกิดความพ้น้นตัวเสือได้เหมือนกันนะแต่มันไม่จริงไม่ได้คาดก็จริงเอาทีนี้นิานสําหรับนิพานสองอันนี้นิพานที่บุคคลที่จะประพฤติทธรรมต้องทําอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ให้ได้ทั้งสองส่วนเสมอการที่ผู้ใดทํานิพานอย่างตะทางคณิพานก็ได้วิขำพนาก็ได้ถ้าทำได้ทั้งสองอย่าง กเอาทั้งส อ, งอย่างก็ได้ไมันเป็นรายหลอกมีเวลาทํามันทั้งสองอย่างก็เอาจะนั่งสมาธิดับไปเลยลืมไปเป็นนิโรธสมาบัติก็เอาหรือจะตะสันคดิพานโดยปัญญากลางวันเนี่ยไปทํางานลืมตามโปรพงแล้วก็พิจารณาตัดขาดดับนิเปเิพานแบบตะพันคดิพานไปได้ทุกเวลาเราก็จะได้ส่งเสริมกันทั้งสองส่วนถ้าผู้ใดทํานิพานอย่างนี้เกิดให้ตนได้แล้วเราก็เรียกว่าเราเริ่มต้นสร้างนิพานให้แก่ตนเองแล้ว เราเริ่มต้นสร้างนิพพานให้แก่ตนเองขึ้นมาแล้วเป็นรูปร่างของนิพพานเกิดขึ้นมาในตัวเราแม้จะทำเป็นวิคัมพนะเกิดนิดหน่อยก็เป็นการสร้างขึ้นแล้วเกิดนิพพานขึ้นแล้วในตัวเราเราเป็นโยค่าบุคคลผู้ที่เคยได้นิพพานมาบั่งแล้วเล็กน้อยเล็กน้อยวิคัมพนะก็น้อยหน่อย ถ้าตะทางนิพพานนี่ชัดเจนหน่อยก็ได้ตัวใหญ่กว่าวิคัมพะณะเกิดเป็นการปัณิหิตะนิพพานเราจะมีปณิหิตะนิพพานขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทํานิพพานอย่างนี้ได้เป็นทำนิพพานอย่างนี้เป็นผู้นั้นก็ปัณิหิตะได้ตั้งขึ้นมาแล้วตั้งอะไรหรือได้สร้างขึ้นมาแล้วสร้างอะไรสร้างนิพพานขึ้นให้ตนเองเป็นโยคะบุคคลที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ได้ฝึก ได้ลงมือมีภาคปฏิบัติแล้วมีแพคทิสมีการกระทำขึ้นจริงๆแล้วเรียกว่าได้ตั้งขึ้นแล้วปณิหิตะนี่มันหมายความว่าได้ตั้งขึ้นมาแล้วไ ด, ได้ตั้งขึ้นแล้วอ่ า, อาก่อขึ้นมาแล้วยังยังไม่ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงก่อขึ้นมาแล้วนี่กำลัง ก, ก่อรูปของนี่ผ่านขึ้นมาแล้ว แต่มันยังไม่ชัดหรอกมันเป็นการก่อรูปขึ้นมาแล้วถ้าจะพูดแล้วมันก็ยังไม่ชัดมันยังเป็นนามธรรมอยู่ปณิหิตะนี่ยังเป็นนามธรรมอยู่ก่อรูปขึ้นมาลางๆมันก่อรูปขึ้นมาลางๆแล้วเพราะฉะนั้นตั้งสมธรรมตาทังคณิพานเข้าไปให้มากทำวิค ah ัมปนะนิพานเข้าไปให้มากพอทําเข้าให้มากเข้าให้มากเข้าไปถ้าใครทําตะทังคณิพานเข้าไปให้มากแล้วเราก็จะ เป็นนิพพานที่เก่งขึ้นอ่ะมันก็จะเก่งขึ้นถ้าใครทำตะทางคณิพานหมายความารู้ด้วยปัญญาเข้าใจโดยลืมตาลืมตาเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะดับมันได้โดยวิธีอย่างที่ว่านี่ยเข้าใจโดยปัญญาแล้วก็ตัดมันขาดตัดมันขาดลงไป มันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยเก่งขึ้นจนกระทั่งได้ว่าเป็นผู้ที่เก่งในการไม่ยึดเอาไว้ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดเอกิเลสนั่นแหละตอนคนเราธรรมดานี่ในโลกที่เกิดมานี่ยึดเอากิเลตันหาไว้เป็นธรรมดาไว้เป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นมีกิเลตันหาเป็นสรณนะมีกิเลตันหาเป็นสรณะอยู่ทุกคน เมื่อผู้ใดเข้าใจแล้วว่าเออไออย่างนี้เราไม่เอาหรอกเราบอกเค่อยเงินหมื่นหนึ่งเราก็ไม่เอาเราไม่ไปเอาแล้วมันเป็นโลภะหรือเขาจะให้ของไปกินรถเด็ดไปกินอาหารรถเด็ดไม่เอาเป็นโลภะเป็นนิพพานเราเข้าใจได้มากมากมากเข้าจนกระช่างเรามาั่งมา ก, มากเราไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นสิ่งพวกนั้นซึ่งคนเขายึดถือกันยึดเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนี้บางอย่างที่จริงกัไม่มีตัวตนมันมีเหมือนการอนิพพานที่อธิบายไปเมื่อกี้ ตอนแรกมันมีอยู่นี้มันก็คือไม่เราก็ไม่ยึดเอาเป็นสรณะเมื่อไม่ยึดเอาเป็นสรณะก็คือตรงข้ามพอภาษาเราเขาบอกแปลว่าสลัดออกนิสรณะคือการสลัดออกก็คือไม่ยึดเอาไว้นเองก็คือการสลัดออกเพราะฉะนั้นผู้ใดสลัดออกได้อย่างเก่งสลัดออกได้อย่างไวพอกาบอกว่าเอาเงินมาให้ดูแล้วบหมู่ใจก่อในฉันตัดเป็นโลภะเลลวลาเขาให้อยู่ตั้งมื่นในฉันก็ไม่เอา ขายไม้ห้าพันยยิ่งไม่เอาใหญ่ดิสารณะได้เก่งเลยยิ่งกว่าตะพังคณิพานแล้วิสารณะไมยเขาว่าสดออกได้อย่างเร็วเร็วกว่านิตะพังคณิพานเป็นนิพานขั้นรุ่นพี่ของตะพังคณิพานตะพังคณิพานหลายๆตัวรวมกันเข้าเป็นนิสารณะนิพานตะพังคณิพานมากๆตัวรวมกันเข้ามากๆเป็นรูปเป็นร่างของตะพังคณิพานสังสมตัวเองไว้ได้มากๆเขาก็กลายเป็นนิสารณะนิพานอาการเหมือนกัน แต่เป็นอาการที่ช่ําชองกว่าเก่งกว่าเด็ดขาดกว่าเดี๋ยววันนสารานิพนธ์ทีนี้อาการวิคัมปนาณิพานน่ะเป็นอย่างใดอาการของวิคัมปนาณิพานก็ทําได้เหมือนการทําเข้ามากมากมั่มากเข้าปฏินี่เป็นแปลว่าธรรมพอทําเข้ามากๆมากมั่งากชอบมันก็เป็นปิติปฏิปฏิปฏิธินิพาน ปฏิปัติตนิพพานหรือปตัตตินิพพานเฉยๆก็ได้นะแต่เขาเรียกให้เต็มเครื่องเขาก็ว่าปฏิปัทตินิพพานคมก็ไว้ให้มากๆมันก็ระงับประสิปสัตินิพพานตัวระงับตัวดับตัวถูกเหยียบเอไว้สงบอยู่นิ่งอยู่เหยียบเไว้คมบอไว้กดเอาไว้ไวไวไปฏิสัติระงับเอาไว้อ ย, าอย่าน่าจงงหัวขึ้นมานะคมได้นานกว่าด้วยคำว่นานิพพานมากๆตัวเข้ามาก ๆ, ๆตัวเข้าหลายๆตัวเข้าก็ เราเรียกชื่อมันว่าปฏิปฏินิพพานข่มมันไว้ระงับมันไว้เป็นตัวตนของนิพพานอย่างนี้ลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่อันี้เป็นรุ่นรุ่นเรียกว่ารุ่นซีเมียรุ่นใหญ่แล้วเป็นวิคัมพนะรุ่นใหญ่เรียกชื่อมันว่าปฏิปัฏินิพพานเป็นนิพพานที่เกิดจากการทําวิคัมพนะนั่นเองถ้าผู้ใดทําอย่างนี้อย่างนี้อยู่ไอ้อย่างนี้มันก็เหมือนกันก็ยังเป็นรูป นะไอนี่ก็เหมือนกันก็เป็นรูปเป็นนามนี่เหมือนกันนิสระณะนิพานอย่างรู้เรียกว่าอย่างรู้มันก็เป็นนามปจัจจทินี่ก็อย่างไม่รู้เรียกว่าเป็นรูปเหมือนกันอันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีอาตามากขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นการกระทำอย่างนี้ผู้ที่จะทำก็ทำเพิ่มขึ้นให้มากขึ้ น, นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถทาให้ได้เข้าขั้นเป็นสมุต เฉทธนิพานาสมุดเฉทธนิพานอาการที่ทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นอาการของพระอริยะเริ่มต้นแล้วเป็นพระเสขบุคคลเป็นมะอริยะแล้วต้องมีความรู้เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้แล้วจะถึงขั้นเป็นนิสรณนินพานไม่ได้หรือจะถึงขั้นปฏิปัธิไม่ได้ หายคว่าจะต้องเป็นขั้นมีความรู้รู้เหลี่ยมรู้มุมกันมันมาแต่แม้เป็นปฏิปักส์ที่ไม่เกิดความรู้อย่างเช่นพระเสขะที่เป็นของศาสนาอื่นเขาไปบำเพ็ญของเขาทําได้แหมเขาดับได้อย่างเก่งเขาอยากดับเมืไรก็ดับได้เร็วถึงขั้นเก่งๆเหมือนกันนะอาศัยเวลาเวลามันนานถ้าเวลามันนานมากจนหลงว่าเป็นสมุดเฉดก็ได้นะ บางทีเป็นชัติชาติดับได้ตลอดชีวิตร้อยปีอย่างนี้มันก็เป็นถือว่าสมุดเฉดได้นะดับได้ร้อยปีเนี่ยยี่เป็นพรหมเนี่เป็นแสนปีเป็นล้านปีเป็นชั้นพรหมอภัสรพรหมหรือเป็นชั้นพรหมขั้นสูงสุดเลยชั้นอสัญญีพรหมแล้วเลยอสัญญาพรหมดับตลอดเลยดับไปนานไม่รู้กี่กับกี่กับเลยดับเ็นอย่างไม่รู้แบบนั้นก็เป็นสมุดถือเป็นสมุดเฉดได้เหมือนกันสําหรับบุคคลธรรมดาเป็นการดับเหมือนกัน อ, อย่างสมมุติว่าเราเองเราจะดับ อ, อ, อะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่ามันเกิดความร้อนมากเอาไฟมาเผาเองถึกหลังนี้แล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้พอนั่งอยู่ตรงนี้อาการไฟร้อนนี่มันเผาอยู่นี่มันก็ร้อนมันร้อนเรานั่งอยู่ตรงนี้สมมุติว่าเราจะไม่ไปไหนละแต่ว่าเราจะดับ เราจะประหารความร้อนอันนี้ความร้อนนี่เป็นทุกข์เรานั่งอยู่ตรงนี้ร้อนร้ออะไรเพราะเชื้อ อ, อ, อำนาจของไฟเนี่ยมันส่งกระแสเข้าไปถูกเราร้อนเราจะนิพพานละเรามีความสามารถในปฏติปิตติปัจิสามารถดับได้ทำความดับเลยเข้าชาดับดับไปถ้าเราเก่งสามารถดับจนกระทั่งเชื้อไฟของไอ้บ้านหลังนี้หรือว่าไอ้ของไอ้ตึกหลังนี้ มันไม่จนกระทั่งเชื้อไฟมันหมดมันมอดมันสู์สิ้นไปหมดเลยเราก็ยังดับอยู่เรายังไม่ออกจากฌานจนกระทั่งมันหายไปหมดเลยไฟหายเกลี้ยงไปเลยแล้วเราค่อยออกจากฌานมาเราก็สมุดเทตยนได้เราก็ไม่ได้รับความรู้สึกจากทุกข์อันเกิดจากไฟนี้เพราะเรามีความสามารถปิติปัสสตินั่งดับดิ่งลงไปไม่รู้ไม่รับรู้การนี้ไม่รับรู้ความร้อนอันนี้เราดับลืมไปเลย มีเวลา น, านานจนกระทั่งเชื้อแห่งความทุกข์อันนี้หมดสิ้นไปเองเราชนะเป็นสมุดเฉดเสร็จได้พิพานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นรัฐจาผู้ที่ฝึกในรัฐทิทางอื่นรัฐทิธรรมด้านภูโนเขาก็สามารถสมุดเฉดได้เหมือนกันแต่เป็นสมุดเฉดเพราะตัวเหตุบรรดับเอง ไม่ใช่เพราะตัวเองดับเหตุที่ตัวเองนะฟังให้ดีนะเขาที่ผ่านได้เนี่ยเขานี่ผ่านได้เพราะตัวเหตุมันดับของมันเองเราไม่ได้ไปดับเหตุตัวนั้นเลยแต่ตัวเหตุตัวนั้นมันดับของมันเองอ่ามันดับของมันเองแล้วแล้วเราก็บอกอ่าฉันพ้นทุกข์แล้วพ้นเพเหตุมันตายเองเราไม่ได้ฆ่าเหตแต่เหตุมันตายเองอายุมันตายก่อนนะนี่เนี่ยพวกลัทธิ ศา ส, สดาอื่นเขาเอาอย่างนี้แล้วเขาพยายามดับเป็นล้านล้านล้านล้านจับก็แน่สิเป็นล้านล้านจับมันก็มันก็ดูนานเหมือนกันแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยจับต่อสื่อต่อกันถึงล้านล้านจับมันก็ลาบากเหมือนกันเพราะงั้นเขาจึงใช้วิธีนี้เพราะพระเจา้าช่างฉลาดกว่านี้ท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่พอต้องพยายามทําแบบนิสรณะหรือทําอย่างตถทะตะทงครับลักษณะอย่างรู้มีปัญญานํานําอย่างนี้เรื่อยไปแล้วให้เป็นสมุดเฉดให้ได้เหมือนกันเมื่อสมุดเฉดได้อย่างนี้เหมือนกัน เสกขาบุคคลที่อตาตมา ย, ยังไม่ใช้คําว่าอาเสกขานี้ก็เพราะเหตุว่าผู้ที่ประพฤติแม้จะได้สมุดเฉดอย่างนี้อตาตมาก็อนุโลไม่ด้เลยว่าสมุดเฉดเป็นตัวตัวไปนะอย่าไปสมุดเฉดทุกเรื่องทุกเรื่องอย่างสมมุติว่าเราจะละา ก, กาบคุณห้าเราสมุดเฉดเรื่องรูปไปได้เด็ดขาดละเรื่องรูปไปได้เด็ดขาดฉันไม่ปรุงแต่งแล้วบางคนก็ง่ายปรุงเรื่องรูปชอบแต่งต้นแต่งตัว บาะว่าเราพยายามรู้ทันเรื่องการแต่งตัวเราไม่หลงในรูปความสวยความงามเรื่องอะไรจะดแม้แต่ grew, i i. ในรูปการกินในรูปการแต่งตัวในรูปของบ้านเรือนในรูปของอะไรทุกอย่างเราไม่หลงในรูปเราตัดขาดเรื่องในรูปไปได้บางคนตัดขาดง่ายแต่บางคนตัดขาดรูปได้แต่ไปติดในรถบางคนติดแหมตัดรถยากก็มีบางคนตัดรถง่ายแต่ไปติดในรูป เป็นคนตัดรูปง่ายแต่ไปติดในเสียงอ่ายากติดเพลงยิ่งๆอาตมาอย่างเป็นตัวอาตมาบอกให้อาตมาตัดเสียงยากกว่เพื่อนตัดเสียงนะยิ่งเสียงเพลงเสียงอะไรแต่ใดเสียงไพเราะอะไรเลยตัดยากกว่เพื่อนอาตมาตัดกิเลสของอาตมาเองอาตมาตัดเสียงเป็นทีหลังนะใช่ ถ้าตัดร้อยหนึ่งก็สมุดเฉยไปร้อยอยหนึ่งสมุดสมุดเฉยเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปสมุดเฉยนี่มันไม่ได้หมายความว่าเกลี้ยกล่นะสมุดจะเฉะท่านี่มาจากศัพท์คําว่าสมะสมะบวกอุดจะเฉะท่าอุดจะเฉิอุดจะเฉิดหมายความว่าหมดเด็ดอุดจะเฉะท่างเทีฐยพวกที่ไม่มีอุดจะเฉะท่าทิฐิพวกที่บอกว่าอะไรอะไรไม่มีจบ สมะหมายความว่าเสมอเสมอเนืองเนืองให้มันจบให้ได้เนืองเนืองเสมอติดต่อให้มันจบเป็นติดต่อติดต่อไปได้อย่างนั้นให้ได้มีอายุนานๆนนหน่อยเพราะฉะนั้นปฏิปฏิทิศอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้เนี่ยก็หมายความว่าเขาพยายามให้มันดับได้เขามาขาดให้มันขาดเนืองเนืองไปอย่างนั้น ให้นานนานนา น, นาห น, น, น, น, น, น่อยให้มันเป็นเนืองๆติดต่อกันไปนานๆหน่อยนานจนกระทั่งคนที่มีความสามารถในปิติประสิทธิ์จนกระทั่งไฟไหม้ลงนี่หมดแล้วเขาก็าลืมตาขึ้นมาไอ้ทุกข์มันดับไปตัวเหตุของทุกข์มันดับไปเองอันนี้ก็เป็นสมุเทเฉกของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าสมุทเฉกนี้ไม่ได้หมายความว่าเกลี้ยงเก่าอย่างที่เข้าใจกันอยู่เดี๋ยวนี้นะสมุเทเฉกหมายความว่าดับลงไปได้เด็ดขาดในสิ่งใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ ง, ง, งถ้าหลายสิ่งสิ่งนั้นก็โตขึ้น ถ้ายิ่งสิ่งใดโตไอ้สมุดเฉดโตมันก็ยิ่งดี one, ขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าจะแปลเอาความหมายตรงๆเรื <remembrance. S 1> ่องหมายคํา <Se> ว่าทําได้เด็ดขาดในสิ่งในส่วนแต่ละสิ่งแต่ละส่วนทําได้เด็ดขาดในสิ่งในส่วนแต่ละสิ่งแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกขัดมาด้านตามตัดได้อ้าเรื่องรูปเราสมุดเฉดได้เรื่องรถสมุดเฉดได้เรื่องกินสมุดเฉดได้เรื่องเสียงสมุดเฉดได้เรื่องของสัมผัสสมุดเฉดได้อ้าเกาไปเรื่อยๆตามเรื่องบทเรื่องนี้แล้วเสร็จ เรื่องลาบสมุดเชได้อาเรื่องยศละเอียดขึ้นติดในลาบนี่ติดในาบเยมันใหญ่นะราบได้เรื่องยศได้ด้ยสันเสริญได้ที่จริงย้อนไปย้อนมาอะดับได้หมดเรื่องสุขไอ้สุขไม่ยิ่งร้ายนิพพานนี่นิพพานนี่มันความสุขน ะ, ท, ะที่จริงนิพพานในตัวความสุขนะบางคนเราไปติดนิพพานตัวสุขนะ าาอาว่าสุขแล้วนี่เราพ้นทุกข์แล้ ว, ท, ลวที่จริงตัวเองไม่พ้นทุกข์หรอกที่อีกตัวเองยังติดสุขตัวนี้ร้ายมากเลย <S <S โลกกระทำข้อนี้จุดตัวสุขมีร้ายกาจที่สุดเลยนอเพราะฉะนั้นถือว่าตัณหานี่มีละเอียดเป็นชันชนชันชันลำบากมากเลยตัวสงแต่จะเพิ่งพูดถึงกันนะเอาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทํานิพพานิสระณะได้ปฏิปัฏที่ได้ เป็นสมุดจะเฉดได้นี่เลยเป็นอาการของพระเสขาบุคคลเป็นขั้นพระอริยะรู้เข้าใจแล้วรู้เรื่องพวกนี้ดีมาหมดแล้วเรื่องของปณิหิตานิพานนี่รู้มาแล้วไอ้รูปของนิพานรูปร่างของนิพานที่มันลังๆงขึ้นมารูปด่างก็คือและรูปร่างลังๆก็คือนางมาทำปณิหิตานี่หมายคขาว่าตั้งขึ้นมาแล้วลงลางลงลางนี่เป็นรูปรางๆงปณิหิตาเป็นรูปร่างๆงเป็นนางมารำแต่แท้จริงก็เป็นรูปของไอ้นี่ชัดๆนั่นแหละแต่ว่าลางๆงขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นอาการสามอย่างนี้นิพานสามอย่างนี้มันก็เป็นรูปของนิพานที่ชัดเจนยิ่งกว่าอาการสองอย่างนี้เป็นรูปที่โตขึ้นมาใหญ่กว่าเป็นรูปที่ชัดกว่าจึงเรียกว่าไม่ใช่ขั้นนามมาทำแล้วไอ้นี่เป็นรูปปุกลาทิฏฐานเลยถ้าเทียบทางด้านภาษาบอกว่าโอ้ไ อ, อ้นี่เห็นตัวชัดเนาะเป็นตัวตนชัดๆแล้วจึงเรียกอันนี้ว่านิมิตตะนิพานอ่ะ ละเอาว้เลยเป็นนิมิตตนิพพานแล้วเป็นรูปร่างชัดๆเลยนี่เป็นรูปรธรรมแล้วเป็นรูปรธรรมเป็นรูปนิพพานธรรมขึ้นมาแล้วพระเสขาบุคคลต้องพยายามสร้างรูปของนิพพานธรรมนี้ขึ้นมาให้ชัดเป็นนิมิตตนิพพานขึ้นมาอาการของนิพพานสามอย่างนี้เรียกว่านิมิตตนิพพานส่วนอาการสองอย่างนี้เรียกว่าปณีตาณนิพพานนะ อันนี้เป็นนิพานชัดเนจนเนี่ยว่าเป็นรูปชัดเลยนี่แหละนิพานโอ้ชัดดีถ้าผู้ใดรู้อย่างนี้มีนิมิตนิพานอย่างนี้ผู้พระเสขะรุ่นนี้สา ม, มารถอธิบายนิพานในคนอื่นได้เก่งกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้อธิบายนิพานในเขาเองเอมันลางๆมันยังไม่ชัดหรอกมันเป็นแค่รูป เ, เป็นอารูปที่จริงนามารรมก็คืออารูปไอ้นี่เป็นรูปชัดแะเป็นตัวตนจะชัดรู้มันชัดหยิบมันมาพูดก็ได้ชัดเห็นตัวเห็นตนมันก็แจ้งกว่าเห็นเป็นนิมิตชัด เป็นรูปใสเป็นรูปชัดจึงเรียกว่านิมิตตานิพพานอาการของนิมิตตนิพพานนี่เป็นอาการเขาเผลอข่าวบุคคลจะต้องฝึกฝนภาพเพีย้สร้างนิมิตตานิพพานขึ้นให้มากมากมากมากมากมมากขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรู้ชัดในนิมิตตานิพพานก็รู้ชัดปณิหิตตนิพพานก็รู้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นนาม อั น, นี้ก็เป็นรูปแล้วนี่หัวข้อใหญ่นะอันนี้หัวข้อใหญ่อันนี้ของไอ้สามอันนี้อันี้หัวข้อใหญ่อันนี้ของอันนี้เพราะฉะนั้นอันี้เป็นนามอันี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปไม่เหมือนกันแล้วนะอันี้อาตมาไม่ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ชื่อรูปรู้ใส่ชื่อนามเพราะว่าเป็นเหมือนกันแหละเป็นตัวรวบรวมของไอ้สองนี้เหมือนกันเป็นสมุดเฉดอันนี้ก็เป็นสมุดเฉดได้อันนี้ก็เป็นสมุดเฉดได้และทําสมุดเฉดได้ตรงนี้แหละถึงว่ารูปของนิพพานชัดเจนอ่า ขึ้นมาไอ้นี่หัวข้อใหญ่ไอ้นี่เป็นนามหัวข้อใหญ่ไอ้นี่เป็นรูปรูปกับนามนี่มันก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วรูปคือเห็นชัดๆนามคือยังไม่เห็นชัดเป็นรูปดำรงดำรงหรองือรูปเรืองๆขึ้นมารูปลางๆขึ้นมาแล้วอาทีนี้นิพพานขั้นต่อไปของผู้ที่สูงขึ้นไปอีกโยค้าบุคคล เป็นขั้นผู้พูดที่ฝึกเสขาบุคคลข่านอริยะนี่ตายขึ้นมาเป็นระดับแล้วระดับต่อไปนี้แน่นอนไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวเลยก็ต้องอาเั ข, า บ, า, เขาบุคคลแน่นะอาเัขาบุคคลนี้จะต้องสั่งสมนิสรนะนาิพานปฏิปสติสัตทินิพา น, น, พานเรื่อยไปให้เป็นสมุทเฉดจนกระทั่งเปน็นนิพานนั้นชัดแจ้งขึ้นมารู้ชัดรู้ความรู้ ความรู้ยากคือ น, นามธรรมารู้ความรู้ชัดคือรูปธรรมรู้ชัดอันนี้ได้รู้ชัดอันนี้ได้ดนนไดแต่ในภาษาเนี่ยถ้าเราเนึกแล้วเราจะเห็นว่าไอ้นี่เป็นของที่ควรจะรู้ชัดกว่าอันนี้ในภาษานะแต่ในโดยสภาวะไอ้นี่มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไอ้นี้สรณะมันจะเกิดได้ก็เพราะไอ้ตัดทางข้านี่มันเกิดขึ้นมาดยสั่งสมขึ้นมาอยู่ด้วย ผูที่ปฏิบัติแล้วเสร็จแต่ทางคนิพานก็จะเกิดอยู่เรื่อยวิคัมปนาณิพานก็จะเกิดอยู่เรื่อยเราจะทําให้ตัวเองอยู่เรื่อยเรื่อยไอ้มันเกิดมาใหม่เราจะยังรู้มันไม่ชัดเกิดมากมากสั่งสมเข้าวเป็นรูตัวตนมากๆเขามันก็จะเป็นนิจนะเป็นปฏิปัทติเรื่อยไปอย่างนี้เสมอเสมอเสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่จริงมันรู้ทีหลังไอ้มันรู้ก่อนแล้วมันรู้ยากมันรู้ก่อนมันเกิดก่อน มันรู้ก่อนแล้วมันรู้ยากเพราะมันยังลำเรืองลำเรืองมันยังลางๆางที่มาก่อนจนกระทั่งมันเป็นกอบเป็นกรรมเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตัวเป็นตเนตเป็นนิมิตชัดๆมันจึงจะรู้ชัดต้องเข้าใจลักษณะอันนี้ให้ชั ด, ชดๆด้วยนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าปณิหิตานิพานหรือรู้นิมิตตนิพานเนีย่ยเราก็จะรู้ได้ปณิหิตะเป็นตัวรู้ยากกว่าเพราะมันเพิ่งตั้งขึ้นมารูปร่างตั้งขึ้นมาลางๆงนิมิตตนิพานเป็นตัวรู้ชัด มันกลับกันนะกลับกไปกลับกมาวนกันไปวนก ม, มาฟังให้ดีแตมันชัดกลับหัวกลับหางเลยมันกลับหัวกลับหางเลยนะอันนี้เป็นนามเอาอีกทีงเอาอีกทีงอันนี้เป็นรูปเพราะว่าอันี้มันเป็นตัวตั้งเห็ชัดเห็นชัดก็รูปนิพานนั่งสมาธิเข้าขอย่างนี้มันก็เห็นชัดแต่คนที่ปฏิบัติตะทางคณิพานคนอื่นไม่เคยรู้ระดับได้หรือไม่ได้ไมันอยู่ที่ใจ แต่วิเคราะห์เพานานีพตั้งรูปขึ้นมาหเห็นเลยนอนหลับไปซะเลยอ่คนนี้แน่นอนคนนี้เราเห็นแล้วนิพานแล้วตายแล้วไม่รู้เรื่อขงของเขาแล้วหรือนั่งสมาธิเขานี้โทสมาบัติอ่คนนี้นิโรธแล้วนิพานแล้วนีแน่ๆเห็นชัดได้ตายอะไรน ะ, ะปณิหิตะหมายความว่าเราตั้งนิพานขึ้นในตนสร้างนิพานขึ้นให้ตน ใช่เป็นผลต้องสองตัวใช่มันยังเลือนลางอยู่แต่มันก็ได้ทำขึ้นแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วตั้งขึ้นให้แก่ตัวเองแล้วเรียกว่าปานิฮิตานิพานแต่มันยังไม่เป็นรูปของนิพานตัวโตจนกระทั่งชัดเจนนักด้วยพะตั้งคณิพานถ้าใครทำตัางคณิพานวิขัมภนะนิพานเกิดตามแต่ใครทาวิขัมภนะนิพาน ถ้าทางคณิพานไม่ได้ไ ม, มไม่ตามน่ายากกว่าสิยากกว่า <c oughs> อ้าถ้าปู่าปิดทำถึงขั้นนี้อันนี้ยากกว่า <c oughs> อ่าถ้าทำเขถึงนิโรธสมาบัตินะ <c oughs> ยากยิ่งยากใหญ่เลยไปติประสัทเทนี้ยิ่งยากกว่า โดยความเป็นจริงแล้ววิคขมพนาในพานในระดับต้นวิคขมพนาในพานง่ายกว่าทํำบุญลืมไปเสียจะข่าวง่ายใช่ไหมแต่ว่าจะให้เป็นถึงขนาดดับเป็นสมุนเฉตนะดับไม่รับเวทนาไม่มีได้ดับเวทนาไม่มีปัจจิตปัจจัติสงบประงัปจริงๆงไม่รู้สึกอย่างนี้ยากกว่าใช่ไหมยากกว่าอัานวิคขมพนะแต่ตะทั้งขณิพานนี้ยากกว่าในรอบต้น พอามารอบที่สองปฏิปฏิทิยากกว่านิจรณะง่ายกว่าชายสีก็ของทำมามันไม่ใช่เครื่องเครื่องเล่นเลยเื่นเครื่องต้องทาจริงเอาจริ ง, รร อ, งอรูปจะเลยอารูปไปด้วยต้องเป็นนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติครับพิธีปติทินิโรธสมาบัติ เลยเ ป, เป็นเป็นฌานขั้นรูปฌานเลยอรูปฌานปิติปัจจิเพราะฉะนั้นขั้นนี้ยากกว่าผ่านฌานสี่ไปแล้วผ่านฌานแปดเป็นนิโรธสมาบัติยากกว่ายากกว่ามากเพราะงั้นพอขั้นที่สองพอระดับของเสขะเนี่ยอยันนียากอันนี้ยากแต่ถ้าใครได้ทําปะทางคณิพานมาก่อนนะใครทำปะทางคณิบาลได้มากกว่านะมาถึงนิสระนาณิพานนะ นิพพานานิพานง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยเลยง่ายนิพพานานิพานนี่จะง่ายขึ้นยากขึ้นยากขึ้นใช่เนี่นดีคำถามมันนี้ดีเพราะว่าเมื่อกี้อาตมาก็ลืมอธิบายด้วยเพราะงั้นได้อธิบายเคลียร์ไปเลยพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะกลับกันอย่างนี้อาตมาพูดได้แต่บันวนวนมันจะกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้เสมอเพราะงั้นเราเริ่มต้นประโยค้าบุคคลต้องพยายามทำให้งามในเบื้องต้น ในท่ามกลางในบ้านปลายพยายามทําอย่างนี้ยา ม, มาอุตริทําอะไรที่หกเมรุเคนแก่ขับหัวกระพังอะไรกันไปให้มากชายอนุโลมปฏิโลมทุกอย่างธรรมะของพระเจ้าอนุโลมปฏิโลมทําไปทํามาทํามาทําไปถ้าเราทําตะทางคนิพานเราจะได้วิ่คำพระนิพานตามเมื่อก็เราทํามรรคจิตเกดเรดผลจิตมันเกิดตามเพราะจิตรู้ใช่ไหมจิตมันรู้ทางเกิดยานแล้วก็เกิดวิมุติมันมีตัวรู้แล้วมันมีตัวหลุด ในต่างนิพพานแต่ในวิคัมพนนิพพานมันไม่มียานมันไม่มีตัวรู้มันมีแต่ตัวหลุดนะฟังให้ดีนะเมื่อกี้อาตมาเขียนแล้วว่ามันมีปัญญาปัญญานี่คือยานคือตัวรู้ปัญญาคือตัวรู้นะส่วนไอ้วิคัมพนนิพพานนี่มีแต่ตัวหลุดมีแต่ตัวดับมีแต่ตัวไม่รู้ ตัวไม่รู้นี่คือตัววิมุตต์นะตัวไม่รู้คือตัววิมุตต์เพราะฉะนั้นการทำวิคัมพรนิพพานเนี่ยมันมีแต่วิมุตต์มันไม่มีญาณ น, นะมันไม่มีญาณมันมีไม่มีตัวรู้แต่ผู้ที่ทำตะทางพะนิพพานมันมีญาณพอยาณนนะ่เกิดเรียกว่ามรกคญาณแล้วเราก็วิมุตต์ได้เรียกว่าผลญาณ ม, มันมีญาณ มันได้อย่างนี้เลยมันควบคู่มันมีญาณอ่ามันตั้งคณิพามันได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพอยิ่งขั้นสูงขึ้นมามันก็กําไรอสิใช่ร้องกันไปเลยมันก็ได้กําไรทั้งสองส่วนมันมีญาณแล้วมันมันมีรู้แล้วมันมีญาณนั้นมีมตดต่อมันมีมรรคจิตพลรจิตต่อญาณนั่นก็คือเรารู้ปันเราเรารู้ทางว่าเราดับเพราะเหตุอะไรดับมาอย่างไรมันรู้สมุทัยมันรู้มร แล้วก็มันทำนิโรธคือตัววีมุติได้เพราะเป็นอริยสัจสีเลยในตัวเพราะมันเห็นเหตุรู้เหตุและจะเห็นทางแล้วเราดับตามทางที่เรารู้ตั้งแที่เราไม่ได้หลับตาเนี่ยเรารู้ทางที่แท้เป็นทางเป็นมรรคอริยสักนั่นไม่ใช่มรรคธรรมดานี่มรรคธรรมดาดำดิ่งเลยไม่รู้ไม่ฟังเสียงอะไรเลยฉันดับมืดของฉันดำดิ่งท่าเดียวเพราะฉะนั้นมันได้แต่วีมุติท่าเดียวอะไรมาสมมุติในโลกอะไรมาไม่รู้เรื่องกับเขาเลย ยากยากสอนได้จะบอกอมันนั่งหลับตาสอนได้น่ยมันมนั่งหลับตาหาอุบายอะไรจะหลับตาให้มันสิ้จิตไดให้มันตายไปในการหลับตาได้ก็มีแต่อุบายที่จะให้มันตายไปในหลับตาอย่างเดียวไม่มีปัญญาอื่นด้วยเหตุด้วยผลโลกเขาไอ้นะู่นนะไอ้นี่เขาเรียกว่าโลกไอ้นี่เขาเรียกว่าโทสะไอ้นี่เขาเรียกว่าโมหะไอ้นี่เขาเรียกว่าการมลราคะไอ้นี่เขาเรียกว่ารู ป, ปราคะไอ้นี่เขาารูปอรูปราคะฝ่ายนี้ไม่รู้เรื่องเลยมืดหน้าตามัวไม่รู้เรื่องมีแต่โมหะ ฝ่านีไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาเพราะมันไม่ได้สร้างยานตัวนี้ไปเลยไม่ได้สร้างยานเลยไม่ได้สร้างปัญญาเขาไม่โกรธก็เพราะว่าเขาข่มมาไว้เขาข่มไว้เขามีปัญญารู้เขารู้แต่ว่าเขาจะข่ ม, ข ม, ขขมท่าเดียววิคัมชนะนี่ข่มท่าเดียวข่มอดทนอดทนท้าเดียวต้องขันตีอย่างเดียว ขันติเป็นเอกเลยวิขมพนาในใช้ขันติเป็นเอกคงไว้ได้นานหน่อยมันก็ชินมัวก็เก่งขมได้เก่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่มีญาณจึงไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าเราค้นพบแต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธของเขาท่านบอกว่าทำได้เหมือนกันถ้าเราทําทั้งสองส่วนได้ก็กําไร <S <S เพราะว่าแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเรารู้ด้วยว่าเรานั่งเพราะเหตุอะไรและนั่งนั่งเพราะเราต้องการมีมุติ ถ้าเราจะนั่งหลับตาเราก็นั่งถ้าเรานั่งเป็นหรือนั่งได้หรือเราอยากจะนั่งก็นั่งได้เรานั่งไปเอาอะไรเรานั่งเพื่อทามิมุติทําให้จิตของเราไม่รับรู้โลกวางโลกหัดวางโลกแล้วก็หัดไปสิทธิแล้วทํามิมุติให้เจริญแต่ว่าเราไม่ทิ้งตัะถังคณิพานเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ทิ้งวิธีที่จะต้องใช้ธรรมวิจยะใช้วิปัสสนาเราไม่ทิ้งเราจึงจะมียานะนำด้วยอย่างนี้เสมอๆและมันก็จะได้ผลเป็นแบบนี้ เมื่อสั่งสมขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ในขั้นต่อมาเอามีอีกไหมมีอะไรทั้งอยู่ไหมใช่ครับใช่อ๋อง่ายกว่าที่มันมีปัญญาไปใช่ฮะ อ้นิมิตนิพานนี่เป็นชื่อของทั้งไอนี่เองด้วย ช, ชื่อของสิ่งที่ได้แล้วชื่อชื่อของนิพานบบนนพานแบบนี้นิพพานแบบนี้ที่เราทําได้เป็นสมุดเฉดจริงๆทั้งนิพพานอย่างนี้ทั้งนิพพานอย่างนี้คนที่เขาทําได้โดยที่เรียก ว, ว่ามีปฏิปสัตติเนี่ยเขาดับเป็นนิโรธสมาบัติเขานิพพานไปจริง ๆ, ๆเขาดับนิโรธสมาบาัติไปเลยจริงๆ เขาก็มีนิมิตของเขานั is have, ้นเป็นนิมิตตนิพานของเขาอยู่นั่นน่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมคนนี้เขากําลังนิโรธอยู่เขาก็เรียกนิโรธเหมือนกันนะเรียกนิพานเหมือนกันแต่เป็นนิพานแบบปิติปัสสติเขานิโรธอยู่เขาไม่รู้อะไรเขาเดวนี้เขาไม่ไม่เขาว่างจากทุกอย่างเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรโลกเขาก็มีอะไรเขาก็ไม่มีเป็นนิมิตเหมือนกัเป็นรูปนิมิตชัดๆด้วยนี่เห็นไหมจ้าจันนี่เขานิมิตอยู่นั่นนี่เขานิพานอยู่นี่เห็นไหมนั่งแข็งทื่ออยู่นี่นะ แต่ว่าอย่างนิสาระเนี่ยคนอื่นเขารู้กับเราไม่ได้ไง่ายเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาเราลืมตาเนี่ยเราทำานิมิตตนิปานของเราได้เราดับเราไม่เราไม่ทุกจริงจริงทุกของเราไม่มีอยู่ที่จิตของเรามีอำนาจเหนือจิตเราไม่จาเป็นต้องไปนั่งหลับตาแข็งชื่อเลยเรามีอยู่ในสภาวะลืมตาโปรง่ปรงๆอยู่ที่เราเป็นที่เราคนอื่นไม่รู้ด้วยเลยนอกจากคนที่จะมีเจโตปริยาณที่จะอย่างรู้จิตซึ่งกันและกัน เท่านั้นเองถึงจะรู้ด้วยได้ถ้าคนอื่นไม่มีทางรู้คนอื่นไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นอนิสรณะนิพพานจึงมีค่าสูงกว่าปิติภัทรจึงจะเห็นนิสรณะนิพพานนิ่มตของนี่ิตของคู้นี้คือรูปคือรูปนิพพานแบบนิสรณะของคู้นี้ถ้าคนนี้ถ้าคนไหนไม่มีเจตโตปริยายไม่สามารถที่จะอย่างรู้ด้วยกันได้ คนนี้เขาไม่ไม่ไมนิพพานแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นนิพพานแบบของพระพุทธเจ้าคนจึงไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็รู้ไม่ได้ง่ายๆเพราะมันต้องวัดกันด้วยปัญญาญาณอย่างมากจึงจะรู้วัดกันด้วยตาตานอกๆไปรู้ง่ายงาย่แม้แต่ผู้ที่จะรู้ได้เป็นปฏิบัติแบบปิฎิปจัตทีแล้วนะจะต้องมีอภิน ญ, ญา สามารถใช้คลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นอะไรของเราไปวัดจิตของเขาได้เหมือนอย่างอาจารย์มั่นเจโตปริยาณอย่างนั้นแล้วเอาคลื่นอภิญญาแบบนี้เจโตปริยาณแบบแบบรูปเจโตปริยามแบบใช้คลื่นของจิตจริงๆไปวัดแต่ไม่ใช้ปัญญายาณแต่ผู้ที่ใช้ปัญญายาณเข้าใจโดยไม่ต้องไปใช้จิตแบบที่เราว่าเป็นรูปไปใช้แต่ใช้จิตแบบยานนะไปไปวัดได้นี่แบบ แบบนี้จึงสูงกว่าแต่รู้ได้ยากกว่าคนตาคนธรรมดาเนะี่ยิ่งยากกว่าแต่มีผลสูงกว่ามากอ่านี่เป็นนิพพานของแบบพักเตะบุคคลคือเป็นพระอริยะที่รู้นิพพานชัดแล้วมีตัวตนของนิพพานขึ้นมาชัดแล้วเป็นหมูดที่ระดับที่สองทีนี้ระดับที่สามอาลบไปซะบ้างไม่ลบกระดาษนะคงจะพอเขียนได้ ระดับที่สามเมื่อผู้นี้มีนิมิตตนิพานมีปณิหิตานิพานเข้าใจนะเข้าใจให้ได้นะว่าพูดถึงปณิหิตานิพานนี่หมายถึงนิพานหมู่หมู่ลางๆที่ทําเติมขึ้นมาอยู่เรื่อยมันก็พยายามมีขึ้นอยู่เรื่อยพระเศษขาบุคคลที่ทําเนี่ยเขาไม่ทิ้งเรา เมื่อคือถึงขัง้นเสค่ะบุคคลไอต้ตะพังคนิพานมันก็จะเติมขึ้นเรื่อยคือตัวที่กาลังเติมมาเรื่อยละทำตามขึ้นมาเรื่อยสั้งสมมาเป็นกลุเป็นก้อนตั้งสมขึ้นมาเป็นนิมิตานิพานเป็นนิสารณนิพานเป็นปฏิปฏัฏฐิณิพานเป็นตัวโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรืหมายความว่าอาการของอันนี้เราเรียกว่านิมิตานิพานเป็นรูปชัดๆเป็นก้อนโตที่เป็นของเราในกอรเรากําลังสะสมเงินของเราเพราะฉะนั้นประโยชค่าบุคคลที่สะสมมาอย่างนี้ นในกองในกองมีเงินมาเอาเงินมาใส่พอได้มาจะทางคณิพานมาคือหมายความว่าหาเงินมาได้หนึ่งบาทเป็นโยค้าบุคคลนี่สะสมมาได้หนึ่งบาทพอได้จะทางคณิพานมาอีกเป็นสองบาทได้มาอีกเป็นสามบาทได้มาอีกเป็นสี่บาทไอ้ตัวนี้แหละก็เป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนเป็นนิมิตชัดเห็นชัดแล้วก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นนิมิตตนิาพออานเพราะฉะนั้น น, นี่เป็นของเรา และอ้พวกนี้มันก็จะเติมมาอีกเพิ่มมาหนึ่งอีกหนึ่งบาทมันก็มาทีละน้อยไอ้ก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่ก้อนที่เพิ่มมาก็เป็นก้อนน้อยเข้าใจไนิมิตานิพานมันก็เป็นก้อนน้อยก้อนที่เรามีแล้วเป็นนิมิตานิพานของเรามันก็เป็นก้อนใหญ่เป็นรูปของตัวเองเป็นอัตตาของตัวเองมีอะไรเป็นอัตตามีนิพานเป็นอัตตาของตัวเองแล้วและก็สั่งสมนิพาน ทยอยเข้ามาเรื่อยอ้าวอันนี้มาบวกได้แล้วอันนี้ก็เข้ามาบวกที่นี่อ่าอ น, นี่ลบไปอ้าวเก็บไม่ได้อีกแล้วสะสมไม่ได้อีกหนึ่งแล้วไอ้ก้อนนี้ก้อนน้อยจึงว่าไอน้นี่มันเห็นยากไอ้ น, นี่เห็นง่ายฟังให้ดีนะตอนนี้จะกลับต้องพูดโยงซะก่อนเพราะประเดี๋ยวจะกลับแล้วประเดี๋ยวกลับกลับล้งขันอีกแล้วประเดี๋ยวกลับอีกแล้วได้กลับมุมอีกแล้วเมื่อเวลาพระ อเสขบุคคลรู้นิพพานชัดเจนอย่างนี้แล้วพระพุธพทธเจ้าท่านจัดไปว่าถ้าเสขตบุคคลคือผู้เรียนรู้นิพพานเรียนรู้ตัวนิพพานเรียนสั่งสมนิพพานเมื่อรู้นิพพานจนครบเที่ยงจนครบจบจนหมดแล้วเรียบร้อยทุกอย่างในนิพพานให้ทีบนิพพานส่งให้ทิ้งนิพพานเสีย ฟังให้ดีนะพระเศคาบุคคลคือผู้ที่กําลังสั่งสมนิพานสั่งมาเป็นนามเป็นรูปเลยนี่เป็นนามนี่เป็นรูปนี่เป็นนามนิพานนี่เป็นรูปนิพานสั่งสมก็มาเรื่อยเป็นตัวตนโตขึ้นมาเรื่อยตัวคุณได้จนกระทั่งรู้จบบดเกีย่ยงอ๋อพอกินแล้วเราต้องการนิพานล้านหนึ่งเมื่อกี้บวกวันทีละตัวทีละตัว จบแล้วได้เต็มจำนวนตามต้องการเป็นอัตราของเราได้ล้านหนึง่งพอได้จบแล้วนิพผานล้านหนึ่งถ้าได้นิพผานล้านหนึ่งแล้วเสร็จผู้นี้รู้ด้วยว่านิพผานล้านหนึ่งนี่เป็นตัวตนนิพผานล้านหนึ่งเป็นของตัวเองนะเป็นของกูนะใช้ภาษาของสัพพตถาตเลยเนี่ย เรามีนิพพานเป็นตัวกูแล้วล้านหนึ่งเป็นของกูแล้วเป็นอัตตาของเราชัดๆแล้วผู้ใดหลงนิพพานอยู่ยึดนิพพานนี้อยู่ผู้นั้นก็อ่าก็ใช่ท่านจัดไว้ ถ้าใครเขาเอ่อานวพระไตรปดกจะเห็นชัดท่านตัดไว้เพราะฉะนั้นที่เอามาแยกแยกเป็นภาษาสูงกันฟังง่ายๆนี่เห็นระดับระดับไปงี้แล้วจะเข้าใจเพราะไปอ่านสูตรนี้อย่างท่านอ่านสูตรนี้แล้วมาเข้าใจซึ้งเลยทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้บ้างงี้แต่ก่อนนี้อ่านเอ๊ะทำไมหลงในนิพพานก็ทุกข์อีกคนนั้นไม่เข้าใจเลยเพราะไม่เข้าใจสภาวะที่มันเป็นมางี้เพราะงั้นเมื่อพระเสขาบุคคลรู้นิพพานชัดแล้วเรียบร้อยรู้ทั้งที่สั่งสมามาใหม่ พระเสกขบับพระเสกับบุคคลที่ไม่ทิ้งนะปัณิหิต น, นิพานนี่ก็จะทยอยมาเรื่อยเข้ามาเรื่อยแม้จะมีร้านแล้วมันก็ไม่จบไม่หยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่จะถูกลบนะถูกชักล้านออกมาเหลือเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกสิบเก้านะถ้าเฉ ย, ยนะเฉยไม่ได้ต้องเกบนิพานอยู่เรื่อยนะแต่เก็บออกมาตอนนี้แล้วต้องหัดนะหัดอะไรหัดวิธีใหม่นะหัดวิธีสังสมนิพานไม่พอตอนที่หัดเอาออก หัดเอาเอาหัดวิธีหัดเอาออกแล้วได้มาล้านหนึ่งที่นี้ระบายระบายระบายออกแลยนะตอนนี้ระบายนิพานออกแล้วเพราะเราเองเราไม่เป็นคนสะสมเรื่องอื่นนะกิเลสตัณหาเรื่องอื่นเราไม่สะสมแล้วเราสะสมแต่นิพานทีนี้เมื่อสะสมแต่นิพานไว้มีนิพานล้านหนึ่งมันจะเป็นตัวตนต้องหัดเอาทิ้งหัดเอาอะไรทิ้งอะ่ะเอานิมิตนผ่านทิ้งสั ก, ก่อน เพราะมันตัวใหญ่นี่เอาตัวนี้ทิ้งมันจะไปได้เรื่องอะไรล่ะเอาตัวประีตาตัวน้อยๆทิ้งมันไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นกลับกันแล้วนะตอนนี้เอานี่พูดที่พูดทีหลังแต่เอามาขึ้นก่อนนะเมื่อกี้นี่หนึ่งเอาเขียนยังไม่เขียนเลยนี่พานที่หนึ่งนี่พานที่สองนี่พานที่สามนี่พานที่สี่ไม่ต้องเขียนก็ได้เดียวก็พูดมันจะเต็มเองนะเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะเอาทิ้งนี่เราไม่ใช่ไปเก็บไอ้นี่ทิ้งนะเก็บทิ้งยากด้วยเพราะตัวตัวนี้มันมันรู้ยากมันยังไม่รวมตัวมันยังไม่เป็นตัวตนนนชััดมเเป็โม นามาทำมันเป็นเพียงพวกที่ค่อยๆทยอยมาเพราะงั้นเราแกะเอาออกทิ้งนี่ต้องแกะนิมิตนิพพานใี้ทิ้งพยายามทีนี้ระบายนะพอได้มาแล้วโกยทิงนะตอนนี้โกยนิพพานทิ้งยาไปสร้างนิพพานลงนิพพานไม่ได้พวกวิขำพนาณิพพานพวกปฏิปิฏฐิปัฏฐานิพพานนี่แหละพวกนี้ไม่รู้เลยติดตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ได้นิพพานได้อะไรไปได้อัตตานิพพาน จึงเรียกว่ารูปประพมหรืออรูปประพรมชั้นยอดได้ไอ้นี่ไปไม่รู้โกยทิ้งไม่มีปัญญาโกยทิ้งเพราะฉะนั้นพระอเสขะหรือพระเสขะแบบวิคัมพนะแบบปิติปัสสิทธิถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วถ้าไม่มีสายนี้มาด้วยนะศู น, ททนย์มีแล้วมีแล้วมีแล้วได้จะต้องไปโกยทิ้งที่สุดท้าย ไปโกยทิ้งที่สุดท่าวาดโกยนานเกี่ยวเพราะมันไม่รู้วิธีโกยแต่นี่ของพระพุทธเจ้าถ้าจะโกยทิ้งที่นี่เลยเพอถึงวาระแล้วนะเป็นเสขาเป็นอาเสขาบุงคลพอรู้สภาวะของนิพพานชัดอย่างนี้แล้วนะอีตอนนี้หัดเอาทิ้งอย่าให้มันมีนิมิตจึงเรียกว่าอะนิมิตตานิพพานอนิมิตตนิพพานโกยทิ้งนะอย่าให้มันมีแม้กระทั่งรูปนิมิตที่ได้เป็นอะนิมิตให้ได้ นี่ใช้ภาษาเรียกก่อโดยสภาว่าก็เข้าใจตามตามสภาว่าเนีอย่าไปตามภาษานะโดยสภาว่าก็คือโกยไอ้ล้านมิทิ้งไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้ก็ยังรับอยู่นะอันนี้มิตานิพานนี่ก็ยังรับอยู่นะรับมาเรื่อยเหมือนกันเพราะต้องมีชีวิตอยู่กับนิพานในข่าที่เรายังไม่ตายเนี่ยเรามีชีวิตยยอยู่กับ น, นิพานแต่มีก็มีอย่างที่เรียกว่ารับมาโกยทิ้งถ้าโกยอันนี้มิตานิพานทิ้งได้มากๆมากมากอีกหน่อยมันก็เอาโกยทิ้งใช่เก่งๆเก่ง ๆ, ๆ, ๆโกยทิ้งไป ที่เราแสนที่ะราล้ลานที่เราอที่เจนกระทั่งเดือศูนย์ไม่ได้เพราะว่าอย่างเรายังไม่ตายจริงต้องเหลือหนึ่งหน่วยเหมือนกันเราเรียกว่ารูปเป็นรูปรองตัวเรามีชีวิตอยู่จริงเรียกว่าอุปาธิถ้าเรียกว่าอุปาทิเชื้อต้องมีเชื่อถ้าไม่มีเชื่อเราอยู่ไม่ได้นะจริงเรายังไม่ตายจริงต้องมีอยู่หนึ่งหน่วยทีนี้มีอยู่หนึ่งหน่วย เป็นรูปนิมิตของเราล้างล้า ง, างนี่ออกหมดแล้วล้างอนิมิตหมดแล้วเมื่อล้างอนิมิตหมดแล้วจนกระทั่งเหลือหนึ่งหน่วยเป็นรูปนะแล้วปณิหิตานิพานมันก็จะสังสมมาอีกหนึ่งเป็นนามเพราะฉะนั้นเราจะมีชีวิตอยู่อะไรเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยนามรูปของนิพานที่สมืก่อนจะได้ชั ด, ชดเรามีชีวิตอยู่ด้วยนามรูปของนิพาน คือเป็นคน้นทุกข์นิพพานคือคนอนทุกข์คน้คนอยู่ในนามรูปของนิพพานมันจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาถึงนี่แล้วเสร็จเหลือแต่นามรูปเรารู้นามรูปให้มันทรุงซะ ก, ก่อนพอปรุงรูปของนิพพานในนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วรูปตัวนี้ก็คือนิมิตตนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีนิมิตตนิพพานแล้วมันมีนาม ปณิหิตะอ่จนตอนที่ต้องลบแล้วโอ้มันมนซ่อนจจำเป็นจะต้องเขียนชื่อของตัวนี้จะชัดปณิหิตะเมื่อเรามีรูปของนิพานเรามีนามของนิพานทยอยมาอยู่มันไม่มีจบเราทุกอย่างมันไหลเลื่อนอยู่เป็นอนัตตามันไม่มีขาดเรายังไม่ตายจริงมันยังมีสิ่งนี้แต่ชีวิตเราไม่ได้อยู่ด้วยโลกไม่ได้อยู่ด้วยโลกี แต่ชีวิตเราอยู่ด้วยนิพพานเพราะฉะนั้นเราต้องรับมารู้รูปของนิพพานเราก็ต้องรับรู้นามของนิพพานเราก็ต้องรับรู้แต่เมื่อรับรู้มาแล้วเราก็ต้องดับมันด้วยดับทิ้งทั้งรูปนิพพานพร้อมกันนั้นเราดับทิ้งทั้งรูปของทั้งเรื่องของนามของนิพพานด้วยจึยงเรียวกว่าไม่ให้มีแม้กระทั่งปณิหิตตเป็นอัปปณิหิตตนิพพาน ดับทิ้งทั้งไอ้นี่ทั้งไอ้นี้ด้วยมันมีอยู่ในขณะที่เราอยอมให้มันมีเป็นนิมิตรหรือเปเป็นหิตะเราใช้อันนั้นเป็นปัญญารู้เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอย่างนี้แล้วนิพพานคำนี้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าไม่รู้ไม่ได้แปลว่าดับไม่ได้แปลว่าตายแต่แปลว่า รู้อย่างยิ่งนิพพานคํานี้แปลว่ารู้อย่างยิ่งในศาสนาพุทธรู้อย่างยิ่งรู้อย่างยิ่งคํานี้ถ้าเรียกว่านิพพานทุกคนก็งงแต่ถ้าเรียกโดยภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้นี้รู้อย่างยิ่งจริงๆเป็นผู้เต็มไปด้วยวิชา ก็อ๋ออ๋อแล้วใช่ไหมคือผู้ที่มีวิชาเต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ด้วยอะไรมีวิชาอยู่ด้วยรู้รู้อย่างวิชามีแต่วิชาทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นอะไรมาเรามีอะไรรองรับรู้หมดเลยเป็นวิชาไม่หลงในอะไรหมดเลยอยากจะใช้งานก็ใช้ใช่แล้วมีมุติออกดับหมดไม่ให้มีรูปไม่ให้มีนามดับให้เกล็ดดับทั้งรูปดับทั้งนามเรื่อยทุก สภาวะพระเสขบุคคลที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นมานี้ท่านจะเป็นพระอเสขบุคคลได้ต้องดับทั้งรูปทั้งนามไม่ให้มันมีอะไรต้องดับให้เป็นสุญญะนิพพานไม่ให้มีรูปไม่ให้มีนามเมื่อระยะนี้เรายินยอมให้มันมีอยู่เราก็ยอมให้มันมีขณะนี้มันมีอยู่เอายอมให้มันมีมีเพื่ออะไร มีเพื่อประโยชน์โลกมีวิชาคุม้มเราไม่ยอมเราไม่หลงไหลกับมันหรอกเรามีทุกเราก็รู้ทุกนั้นแต่ทุกที่เรามีนี้เราเป็นประโยชน์โลกหรือเปล่าเป็นประโยชน์ตนหรือเปล่าถ้าทุกนี้เป็นประโยชน์ตนเราก็ทำถ้าทุกนี้เป็นประโยชน์โลกมากกว่าเราก็ทำถ้าทุกอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาไม่คุ้มกันเลยฮะประโยชน์ตนก็ไม่พอประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่พอ เพรางาทุกอันที่เรารู้อันนี้คนนี้จะไม่ยอมสังขารด้วยเลยคนนี้จะไม่ยอมปรุงแตง่งด้วยจะไม่ยอมเอามาบุนวายด้วยเลยตัดขาดเพราะงาทุกอย่างนี้เขาจะไม่รับเขาจะรับทุกอันที่เป็นสัมมาพอเหมาะพอควรเป็นมัชชิมาพอดีพอดีจะยอมมีทุกที่มันเป็นสัมมา พอดีเป็นสัมมาเพราะงั้นจะมีสัมมาก็มีสัมมาปฏิปทามีการเป็นไปอยู่อย่างพอดีมีมัชฌิมาปรนกลางบรรกลางไม่ให้มันเดือดร้อนตนไม่ให้มันเดือดร้อนผู้อื่นมากมายถ้าเดือดร้อนผู้อื่นมากมายเกินไปก็ไม่เอาเดือดร้อนตนเองมากมายก็ไม่เอามันเป็นทุกข์ไม่เอาเอาพอดีพอดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆในทางหาสุญญาตาถ้ายิ่งจะไม่มีเลยยิ่งดีแต่ให้เอียงไปหาหาทางสุญญาตา ไปเอียงไปหาในทางที่ไม่มีมากกว่าไม่มีอะไรไม่มีทุกข์แต่ไม่ใช่ไม่มีผลนะแต่มีผลดีทําเป็นกุศลธรรมบอกว่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้สร้างกุศลธรรมทำกุศลธรรมอยู่เสมอเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่า น, น, นจนกว่าจะตายเสมอๆเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าจะตายทำไปเ้ื่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับเป็นอนิมิตตานิพพานได้ผู้ที่รู้ดับเป็นอั ป, ปนิหิตตานิพพานได้ อัมสุญญตานิพานให้แก่ตนได้ผู้นี้จึงคือพระอภิเษกบุคคลไม่ต้องเรียนอีกแล้วก็รู้หมดแล้วนี่เนี่ยรู้หมดแล้วนิพานมีอยู่แค่เนี้นะรู้นิพานยังไงก็นิพานเนี่ยก็รู้นิพานออกชัดแจ้งนี่มีแต่นิพานต้นนิพานแบบสมุทเฉดนี่รู้หมดรู้เกลี้ยงรู้แล้วว่าเออเราต้องการนิพานล้านนึ่งเสกหนิพานเสกบุคคลก็คือผู้ที่ยังศึกษาอยู่ ผู้ที่อยากศึกษาทำพวกนี้ทําความรู้พวกนี้ให้นั่นอยู่ตั้งสมอยู่ตั้งสมอยู่พยายามทําอยู่ทำเรืเ่อยๆเจอก็ทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วรู้ว่าอ๋อเราทำได้แค่ น, นี้โอ้แค่ น, นี้พอแล้วเมื่อทําพอแล้วทีนี้ถึงถีบนิพพานสง่งอะไรนะนิพพานเป็นๆที่อาตมาอธิบายนี่นิพพานเป็นๆเออนิพพานเดี๋ยวทีเดี๋ยวเจอนิพพานตายเดี๋ยวเด๋ยวเ๋ยวจะพึ่งถามไปถามไปเรื่อยดักด่าเรื่อยไปเลย แม้มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอธิบายกับคนเก่งๆทั้งนั้นเลยอะไรนะตนิพานแล้วกลับมาได้ไหมก็อยากกลับมาลรามาได้อยากกลับมาก็ได้ได้ได้อยากกลับมาก็ได้นะอยากกลับมาก็ได้เดี๋ยวจะถึงเดี๋ยวจะอธิษฐานเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าอยากกลับมาได้ไหมไม่อยากกลับมาได้ไหมแม้เก่งๆทั้งนั้นเลยรู้เ่วงหน้ากว่าเลย นะแต่ละคนถาเนี่รู้แล้วจะรุ่นเรียนครับบอร์ดมาเท่านั้นอ่ากลับมาก็ได้นะไม่กลับมาก็ได้ก็แล้วแต่สิใครจะพอใจกลับมาหรือไม่กลับมาอ้าวทีนี้ต่อนะอาเซคาบุคคนก็คือพระขั้นอรหันนะเขียนไปได้ขั้นพระอรหัน ที่จริงเนี่ว่ากันจบแล้วนะดีถึงขั้นอาวหันแล้วนะแต่มันยังไม่จบนิพพานสิบสามมันเพิ่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพิ่งได้สิบนิพพานแค่นั้นเองยังไม่ถึงสิบสามนะคุณปุณปะหนตั้งชื่อไว้นิพพานตั้งสิบสามมันจําเป็นจะต้องยืดไปอีกตั้งสามนิพพานนะเพราะงั้นก็ต้องเอาให้มันจบตามที่ตั้งชื่อไว้เพระเดี๋ยวจะหาว่าตมาพูดเท็จหลอกลวงให้มาฟังนิพพานสิบสามแล้วมันพูดให้ฟังแค่สิบนิพพานนะไม่จริง ไม่ได้เสียชื่ออรหันแล้วถึงขัง้นอรหันนี่ขั้นนิสเสขาบุคคลเนี่ยก็ตั้งแต่พระโสดาบันไปจนกระทั่งถึงพระอาารรนาคามิตั้งแต่พระโสดาบันถึงขั้นพระอนาคารรมีิได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวตีเดี๋<อ>ยวขึ้นเดี๋ยว ก็อผู้ที่เป็นพระอาราหันต์แล้วนี่ก็ท่านอยู่กับนิพพานก็ท่านจะไปจะมาก็ได้ก็อตาตมาบอกแล้วว่าเราจะปรุงอะไรอยู่ก็ปรุงไปสิตามโลกเราจะทําอะไรอยู่เป็นสังขารอยู่สังขารธรรมมีเพราะงั้นสังขารธรรมของพระอาราหันต์จึงเรียกว่าวิสังขารสังขารของพระอาราหันต์จึงเรียกว่าวิสังขารคือปรุงแต่งอย่างยิ่ง อ, อย่างวิชาอย่างมีวิชาปรุงแต่งอย่างยิ่งอย่างรู้รู้ว่าเราปรุงเนี่ยก็เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านไม่ใช่ปรุงเพราะเปลืองโลกหรือว่าเป็นภัยต่อโลกเป็นภัยต่อท่านผู้นี้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยเสมอพออาระอรหันต์หรือพระอัสสกเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยเสมอเพราะฉะนั้นจะปรุงก็ปรุงที่เป็นประโยชน์มากกว่าภัยหรือเป็นโทษ จะปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ชนะไม่ประโยชน์ตนก็ประโยชน์ท่านจะไม่ปรุงเพื่อที่จะเป็นโทษหรือเป็นภัยให้แก่โลกหรือให้แก่ตนนี่เรียกว่าผู้ที่ปรุงอย่างรู้วิสังขารปรุงอย่างยิ่งวิคำนี้ไม่ได้แปลว่าไม่แต่สําหรับผู้ที่ศึกษากําลังศึกษาอยู่อย่าปรุงให้มากนะเพราะมันไม่รู้ส่วนมากมันปรุงเป็นโลกหมดเพราะฉะนั้นท่านบอก ว, วิอันนี้จึงแปลว่าไม่ก่อนในพระเสขบุคคลวิคํานี้แปลว่าไม่ปรุงอย่างไม่เอ้ยอย่าไม่ไม่ปรุง ไม่ใช่ปรุงอย่างไม่คือไม่ปรุงวิสังขารคือไม่ปรุงพราะปรุงทีไรมันเป็นโลกทุกทีหัดดับหน้าหัดเลิกนะครับหยุดปรุงนะ่ะเพราะฉนั้นในขณะที่เป็นพระเสขาบุคคลต้องไม่ปรุงแต่เป็นพระอาเสขาแล้วเป็นผู้ที่เป็นพระอาหารแล้วท่านปรุงอ่ะตอนนี้วิตัวนี้แปลว่าไม่ใช่แปลว่าใหม่แล้ววิตัวนี้แปลว่ายิง่งปรุงอย่างรู้ปรุงอย่างมีวิวิคืออะไรวิก็วิววปัสนาหรือวิชาละ่ะ ย่งมีวิชาหรืออย่างมีวิปัสสนาอย่างรู้เพราะฉะนั้นท่านตุงได้นี่เรียกว่าพระอระหรันต์ทีนี้เมื่อพระอระหันต์ท่านที่ทาาา่านรู้จักสุญญตานิพานรู้จักอนิมิตตนิพานรู้จักอัปปานิจตานิพานคือตัวนิพานเป็นรูปก็รู้ตัวนิพานที่เป็นนามก็รู้ ด, รดับที่เป็นรูปก็ได้ดับที่เป็นนามก็ได้ดับได้เกลี่ยนตลอดเวลาอยากดับเมื่อดับเป็นสุญญตานิพานได้ทุกทีไปหรือจะให้มันมีให้มันมีนิมิตตนิพานก็มีได้ ให้มันมีอับให้มันมีปณิหิตานิพานก็มีได้ผู้ทําได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงซึ่งสอุปาทิเศสนิพานเป็นผู้ที่ถึงซึ่งสอุปาทิเศสนิพานผู้ที่มีนิพานอย่างนี้ก็ดูหมือมนคุณพหุนอาตมาจะจําได้ว่าอาตมาจะจดอันนี้บอกอันนี้ให้เป็นนิมิตอันนี้เป็นปณิหิตะ ใช่ไหมกลับมาเสีกลับมาเสียตัพอุปาทิเสสนิพานเป็นผู้ที่มีนิพานขึ้นแล้วในตนอย่างแน่แน่ชัดชัดแต่ยังไม่ตายยังอยู่เสสาก็เหลืออยู่เสสนี่หมายความว่าเหลือยังมีตักนี่ก็แปลว่ามีมีอะไรมีอุปาทิมีอุปาทินี่เหลืออยู่ เป็นผู้ที่มีนิพพานแต่ว่าเป็นผู้ที่มีนิพพานที่ยังมีอุปาธิเหลืออยู่อุปาธิอะไรอุปาธิก็คือไอ้สิ่งที่มันยังตั้งอยู่อะไรตั้งอยู่อันก็ลูกขันนามขันมันก็ยังตั้งอยู่นี่กายก็ยังอยู่ใจก็ยังอยู่นี่มันยังไม่ตายสิ้นใจไปที่ไหนยังไม่ได้ดับศูญหายไปไหนยังเห็นเดินไปโน่นมานี่คุณก็เห็นใครก็เห็นอ้าวพระอร้ยักษ์ตรนี้บอกนิพพานละหันนะพระพุทธเจ้ากับพระอรหัน พรัตรีบุตรกไเป็นพระอาหารพระมงกุลาเ็พระอาหันแต่ท่านยังไม่ตายแต่ท่านเป็นพระอาหารแล้วท่านมีนิพพานท่านรู้นิพพานทำนิพพานพวก น, นี้ได้หมดแล้วแต่เป็นผู้ที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่อุปาทิคือรูปขันนามขันยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นท่านก็จะใช้รูปใช้นามเดียว่าอุปาทิอันนี้แหละให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นใช้มันเนียก็มันมีมาแล้วนจะไปฆ่ามันทิ้งทําไมละ่ะก็ทั้งนี้ในนีนเราก็สบายแล้วไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ให้เป็นประโยชน์โลก สรางรถยนต์ขึ้นมาแล้วคันหนึ่งโอ้สร้างขึ้นมาสําเร็จแล้วสนใจแล้วก็เอาทิศไม่ต้องใช้ไอ้คนนั้นก็โง่ทีตัวสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาใช้ไปจนกว่ามันจะพังตามหมาอตามควรไม่เป็นไรนี่สร้างมาแล้วก็ใช้ไปเดี๋ยให้มันมีอยู่มันมีแล้วมันตั้งขึ้นมาแล้วและเราก็สําเร็จแล้วด้วยเราก็ไม่ไม่ไม่เดือร้อนอะไรแล้วด้วยแต่ว่ามันยังมีรูปผันนางผันมีอุปาทิเหลืออยู่ผู้นี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มี นิพพานเป็นตัพอปปิเสสนิพานเรียกว่านิพพานเป็นเป็นคนเป็นเป็นะทีนี้เมื่อผู้ที่เป็นอรหันต์มีตัออปปิเสสนิพานนี่แล้วจะตายลงจะเลิกแล้วทีนี้จะพังแล้วจะพังรถยนต์คันนี้แล้วเครื่องเคราก็จะต้องลือทิ้งให้กระจายให้หมดเลยไม่ให้มีเหลือเชื่อ ไอตัวเหล็ตัวไหลตัวอะไรจะไหลฉันก็จะละลายออกไปให้มันหมดเลยละลายได้เก่งเท่าไร่ฉันจะละลายอะไรน ะ, ะหรือมีน้เาเห้อมีดินน้าลมไฟนั่นแหละแต่ดินน้ําลมไฟอันนี้ไม่ตั้งอยู่รวมกันเป็นแท่งนี้กระจายไปหมดกระจายดินน้ำลมไฟที่จะมาก่อให้เป็นตัวเองละเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็จะต้องล้างอุปปาทิคตัวนี้ นอนานะไม่ให้มีอ น, นะนี่แปลว่าไม่ไม่ให้มีอะไรไม่ให้มีอุปาทิเทสะไม่ให้มีอุปาทินี่เหลือไอสะนี่มันมีอนาแปลว่าไม่ไม่แล้วไม่ให้มีอุปาทิอ น, นะบวกอุปาทิก็เป็นอนุปาทิสนที่กันเข้าภาษาคําว่าอุปาทิบวกอนาก็เป็นอนุปาทิเทสะนิพพาน นัง่งคอยอยู่นานแล้วไม่ให้มันมีไม่ให้มันมีปาอุปาทิเสส น, นิพานไม่ให้เหลือแม้แต่อุปาทิตอนนี้ไม่ให้เหลือเลยตอนนี้เราใช้แล้วรถยนต์ของเราเอาสร้างขึ้นมาแล้วใช้พองานแล้วตอนนี้เลิกกันนะใครจะเอาของเราไปใช้อีกก็ไม่ให้เอาไปพาาระอรหันต์เห็นแค่ตัวถึงอย่งงางนนะั้นจะบอกใคร แม้แต่เศษอะไรของรถยนต์ของเรานี่ก็จะไม่ให้เอาไม่ให้มันมาก่อกเกิดเป็นรูปร่างรถยนต์อีกนะทําลายล อ, อะไรอยู่นั่นเนอะไอ้สิ่งที่มันทําลายไม่ได้นั่นแหละมันเหลือสิ่งที่ทําลายได้ท่านทาลายได้เอาดีทำงี้ดีถ้าเหลือนั่นเป็นผมแล้วไม่ใช่ของพุทธพุทธไม่เหลือทําลายให้เกลี้ยง ในห้างถามนี่ในห้าถามในลักษณะของในห้างอาตมารู้ว่าในห้างอยู่จุดในในห้างเป็นพรมเพราะฉะนั้นในห้าถามว่าสิ่งเหลืออยู่นั่นน่ะแล้วซีเดียมอีกคนซีเดียมก็พมเหมือนกันไม่มีไม่มีถ้าฮินดูเราก็มีถ้าพราหมณ์เรามีแต่พุทไม่มีทําลายหมดเลยเครื่องยนต์คือนามธรรมไอ้พลังงานในเครื่องยนต์ทําลายหมดเอาพลังงานที่ตัวเองมีอย่างมากนี่แหละระเบิดรถตัวเอง ระเบิดรถตัวเองระเบิดเลยให้กระจายให้แหลกละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราประเมิดจัดการระเบิดแล้วก็คือทําลายไม่ให้มีอุปาทิเสสนิพานทําลายให้รอดให้เกลี้ยงให้หมดให้ได้ทําลายให้เป็นปริณิพานเลยให้รอให้หมดเท่าที่เราจะมีฤทธิ์แค่ไหนเท่าที่เราจะมีแรงระเบิดให้ยิ่งกว่าปรมานู ลูกยอดที่สุดที่เราจะระเบิดขั้นสุดท้ายได้ให้ระเบิดเลยระเบิดใช้พลังงานคือใช้จิตของเราเนี่ยอำนาจจิตของเราเนี่ยระเบิดไม่ให้อะไรเกาะตัวกันได้ไม่ให้มันมีเหลือเชือ้อดินน้ำลมไฟที่มันเกาะในตัวในตในของเราแม้แต่มันมาเกาะเป็นตัวตนดินน้ำลมไฟนี่แม้แต่นามธรรมเขาเรียกดินน้ำลมไฟนะแม้แต่นามธรรมไม่ใช่เฉพาะรูปธรรมแม้แต่นามนามธรรมเขาเรียกเป็นดินน้ําล ม, มไฟท่านให้ละลายให้กระ จ, ยจายระเบิดหมดเลย ยังเรียกว่าปัปรินิพานนิพานให้มันรอบสิ้นให้มันเกลี้ยงให้มันทลายให้มันหมดให้มันสิ้นหมดจบไม่ให้อะไรเหลืออุปาทิชใดๆก็ไม่ให้เหลือไม่ให้มีรูปเหลือไม่ให้นามขันเหลือแต่มันทําลายทําลายแล้วก็ทําลายได้ตามนิสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านป ร, รินิพานท่านถึงทําลายพอระเบิดปังเป็นเหลือรูปเหลือรูป เป็นเม็ดเท่าเม็ดงามัง่งเท่าเม็ดเข้าสารหักมั่งเท่าเม็ดถั่วแตกมัง่งกระจุยเลยเป็นผงเลยนี่ของพระพุทธเจ้าท่านกระจุยได้เม็ดเล็กขนาดนั้นของภาษาริบุตรกระจุยได้เม็ดเล็กเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเล็กกว่ากระจายได้เป็นผุยผงลงภาษาริบุตรยังไม่เท่าแต่เล็กเหมือนกันลายเรียของผู้อื่น พระโมกขลาพระกะตะปะพระอะไรจะอะไรก็ตามก็ทํำลายของตัวเองตามฤกษ์ของตัวเองกันก็เหลือเป็นรูปกายกระจุยกระจายเป็นพระธาตุจึงเรียกว่าทําลายให้เหลือไอสิ่งที่เหลือมัก็เป็นธาตุนั่นแหละคือในโลกนี้สิ่งที่มันเหลืออยู่มันก็เป็นธาตุจึงเรียกอันนั้นว่าพระธาตุพระธาตุเป็นธาตุที่อยู่นี่แหละธาตุที่ถูกทําลายแล้วแปลสภาพจากดินน้ำลงไปธาตุตรงนี้ไม่หมด นอกจากรูปกายมันจะเหลืออย่างนี้แต่นามกายไม่เหลือนามกายโดยแท้จริงของศาสนาพุทธไม่เหลือนามกายทำลายลงไปหมดเป็นอะไรกลายเป็นธรรมกายไม่เอาไว้เลยความรู้อะไรทั้งหมดไม่เอาไว้เลยความรู้ทั้งหลายแหละถ้ายังไปยึดความรู้เอาไว้อาละตอนนี้ ก้ามานี่คิดว่าคงจะจบหมดแล้วนะใครที่จดไว้จะได้ลบอาชีนี้ผู้ที่ได้นิพพานทั้งหลายแหลอันนี้ทั้งด้านสามนิพพานนี้เมื่อ ก, กี้อันนี้เป็นของโยคะบุคคลอันนี้เป็นของเสขาบุคคลอันนี้เป็นของอาเสขาบุคคลอันนี้ก็เป็นของหนึ่งพระโพธิสัตว์ ที่จะรู้นะสองเอาโพธิสัตว์ไปอันที่สองีกว่าระดับสองีกว่าเอาหนึ่งเป็นอนุพุทธอนุพุทธะสองโพธิสัตว์สามปัจเจกพุทธะ ส่วนพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธาน่ะไม่ต้องไปพูดถึงท่านเราท่านรู้ทุ ก, กอย่างกันแหละในนี้เพราะงั้นเราไม่ต้องไปใส่ชื่อท่านเขาไว้ตรงไหนเพราะไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ชื่อท่านเลยท่านรู้เกลี่ยทุกอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้สโอปาริเสสะรูออ้อนุปาริเสสะและรู้ปรินิพานได้อย่างดีอย่างชัดนั้นผู้นั้นเป็นอรหันตธรรมดายังไม่ค่อยได้เป็นอรหันตชั้นตนต น, นี่อาจามาพูดเลยเถิดไปอีกสา น, นะ พูดเลยเธอจะตีก็พู้รู้กันแม้แต่ในตําราเทรวาสนะเป็นอรหันตธรรมดาทดาําสุญญา ต, าตานิพานได้เขาทำเท่านั้นเองและเป็นเลิกเป็นจบเขาจะไม่มีความเข้าใจถึงว่าสัพพติเสสนิพานกับอนุพติเสสนิพานนี่แตกต่างกันยังไงเขารู้ได้อย่างนิดหน่อยตรงที่ว่าสัพพติเสสนิพานกับอนุพติเสสนิพานนี่แตกต่างกันตรงที่ว่าอันนึงเป็นอนิพานเป็นอีกอันนึงเป็นนิพานตายอนุพติเสสนิพานคือนิพานตายแต่ระดับความลึก อย่างที่ในห้า ง, างถามออความลึกความไกลความไปได้แค่ไหนแค่ไหนนะเป็นอรหันต์ขั้นธรรมดาไม่สามารถรู้จนกว่าจะเป็นอรหันต์หลายรอบฟังให้ดีนะตอนนี้ชักยุ่งหน่อยต้องเป็นอรหันต์หลายรอบถ้าจะใช้คำว่าอารหันต์หลายรอบนี่เอทักจะไม่เข้าท่าเลยแนฮะก็ไหนบอกอรหันต์ไม่กลับมาแล้วนี่จะทำลายไปหมดแล้วนี่ใช่ ก็ทำลายส่วนหมดแล้วนี่ไม่ไม่กลับมาแล้วนี่จริงถ้าผู้ใดจะทำลายไม่กลับมานะผู้นั้นก็ทำลายไปเป็นปรินิพานผู้นั้นก็เป็นอนหรหันต์แต่ผู้ใดที่ไม่ทำลายละมีวิชารู้ทำลายก็ได้ทำไมจะทำลายไม่ได้ละรถของอ้วเนี่ยอ้วนทำลายเองได้แต่ผู้นี้ถ้าจะไม่ทำลายผู้นี้ก็รู้ว่าตัวเอง ไม่ทำลายเหลืออะไรไว้ก็เหลือวิชานี่แหละของตัวเองไว้ยึดวิชานี่เราไว้หรือยึดโพธิเนี่ยความรู้โพธิคือตัวความรู้ยึดโพธิฮะยังะยังไม่ตายยังไม่ทำลายส่วนนะ่ะขอวนเวียนกลับมาเกิดอีกป็นอะไรเป็นสัจที่ติดอะไรสัจที่ติดความรู้จึงเรียกว่าโพธทิสั์ โพธิสัตว์มีความหมายเท่านี้มหายาณเอาไปอธิบายโพธิสัตว์อะไรก็ไม่รู้เลยๆเชอะๆยังไม่ทันมีปัญญาจะรู้ถึงอรหันเลยก็เรียกว่าโพธิสัตว์ไม่ได้โพธิสัตว์ต้องเป็นอรหันจึงจะเรียกโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าท่านโพธิสัตว์เป็นอรหันนะท่านเองท่านเรียกท่านว่าท่านเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้ท่านแต่ตอนที่ท่านตรัสในตอนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยขณะใดที่เราอยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรากําลังพิจารณาด้วยเนี่ย ท่านเองท่านเป็นอาหารแล้วนะท่านมีโพธินะคําว่าโพธินีค่คือความรู้นะไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความรู้นะโพธิสัตว์อย่างเขานี่ยเขาเลยมาแบ่งพวกมหายาณเลยมาแบ่งเป็นอานิยตตาโพธิสัตว์มังนิยตตาโพธิสัตว์มังอะไรต่อะไรต่างๆไอ้ที่เขามาแบ่งอันนั้นเองก็หมายความว่าท่านมันต้องผิดกันนะโพธิสัตว์บางคนมีความรู้มากนะอีกคนไม่มีความรู้นะเลยต้องมาแบ่งชื่ออริยามเอาภาษาสามมาตั้งอานิยตตาโพธิสัตว์หมายความว่า เป็พระโพ ธ, ธิสัตย์ยังไม่แท้ยังไม่บรรลุยังไม่มีความรู้ถ้าอนิยตะโพธิสัตย์หมายก็ว่าพระโพ ธ, ธิสัตย์ที่มีความรู้เที่ยงแท้เออนิยตะถ้าอนิยตะไม่แท้ถ้านิยตะแท้ผู้นี้เป็นผู้ที่แน่นอนแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเขาถือว่าอย่างนั้นเลยมาแด่อย่างนั้นแต่แท้จริงๆถ้าเป็นโพธิสัตย์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าทุกคนนะแต่ตอนที่จะมาตั้งสมบา ร, รมียังไม่ทันถึงขั้นจะเป็นอรหันต์พวกนั้น่ะเขายังไม่เรียกแม่พระ โพดิส er ัตย์เขาเรียกแค่โยคะบุคคลเขาไม่เรียกโพดิสัตย์หรอกเขาเรียกแค่โยคะบุคคลผู้กําลังบําเพ็ญอยู่เท่านั้นเองเป็นวระโพดิสัตย์แล้วมีความรู้ถึงจะเรียกโพดิสัตว์ถ้ายังไม่มีความรู้เป็นแค่โยคะบุคคลยังไม่เรียกโพธิสัตย์โพดิสัตว์จึงจะรู้มาเรียนรู้สัุปาริเสธนิพพานให้มากขึ้นคือมาเรียนรู้ไอ้พวกนี้ก็คือเรียนรู้ทั้งหมดนี่แหละให้มากขึ้นเรียนรู้การทําลายให้มากขึ้น คนนี้ไม่ทำลาย <G l> ก็เรียนรู้การทำลายมากขึ้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นพุทธะน้อยๆเป็นผู้ที่ก้าวึ้สู่เป็นความความเป็นพุทธะน้อยๆเรียกว่าอนุอนุน้อยก้าวขึสู่เป็นพุทธะน้อยๆไม่ใช่อรหรันอรหันนี่แค่ขั้นสุตักพุทธะนะถ้าใครอยากจะรู้คำว่าพุทธะพุทธะคือผู้รู้รู้เหมือนกันอรหันไม่คำว่ารู้จากที่ได้เรียนมาตามพาระพุทธเจ้าท่านสอน พระพุทธเจ้าสอนสอนเอาไว้ก็ฟังมาสุตตะฟังฟังมาฟังมาที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมาเป็นสุตตะพุทธะเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นอรหันต์สุตตะพุทธะก็ยังตามกว่าอนุพุทธะพุทธะมันมีอยู่อยู่สี่พุทธ์หนึ่งสุตตะพุทธะสองอนุพุทธะสามปัจเจกับพุทธะสสัมมาสัมพุทธะมีสี่พุทธเพราะฉะนั้นสุตตะพุทธะนี่คือขั้นอรหันต์ธรรมดาอาตมาก็ไม่ได้กล่าวถึงตอนนี้มิจจเมาใส่ตรงนี้ก็ได้อาเซขาบุคคลหรืออรหันต์หรือสุตตะพุทธะก็ได้เอาใส่ตรงนี้ก็ได้ ถ้าใครอเขียนเติมลงไปนะเนี่ยคือสุตตพุทธะแต่ส่วนอันนี้เป็นของอนุพุทธะโพธิสัตว์หรือปัจเจกพุทธะปัเจกพุทธะนี่ยิ่งเวียนช่ำไปเรื่อยๆตัดนั้ไม่ต้องฟังก็ได้ต่อไปนี่มัเกิดมารู้เองรู้เอ ง, เองหมดไปเรื่อยยิ่งช่ำชองมากขึ้นปัเจกพุทธะสัตสู้เองเรื่อยเป็นพุทธเจ้าที่ใกล้เคียงสัมมาสัมพุทธะขึ้นไปเรื่อยๆและพระปเจกพุทธะทุกองค์และก็คือผู้ที่ไปเป็นพุทธเจ้าในโอกาสต่อไป เป็นโพนิสัตย์ใหญ่ปเจ ก, กับพุทธะนี่เป็นโพนิสัตยใหญ่แล้วไอ้นี้อาตมาอธิบายเลยเทระวาดไปแ yeah. ย้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยยินก็อาจจะฟังไม่แม้ไอ้นี่เชื่อไม่ได้อาตมาพูดเพราะงั้นตะก่อนนี่พูดนี่หมายความว่าเราเคยพูดกันมามั่งแล้วที่มานั่งฟังนี่ก็เลยพูดต่อให้ฟังได้แต่บางที่บางถิไปพูดนิดเละอะเพราะอาตมาเขียนลงไปในหนังสือแม้ใน เ, เล่มสองเลอะเลยใครต่อว่ากันใหญ่โตโมโหลายบอกเอาะหันจบแล้วจบก็จบสิใครไปว่าอะไรล่ะอาตมาไม่ว่านี่ อยากจบก็จบแต่มันไม่จบก็ได้นี่ผู้ที่ไม่จบเขาก็คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปที่ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อก็ไปผู้ที่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็อยากจบก็จบไปสี่ยาที่ในห้างถามอยากไปแล้วอยากมาได้หเปล่าได้มีไงล่ะคําตอบในห้างถามอ่าเบอร์ตะกี้ไปไหนมาเบอร์ตะกี้ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนอ่แต่มาอยู่นี่ ไม่อยู่เหรอเมื่อกี้นี้มีอีกคนอื่นมาใช่มไหมอะอันนั้นเรียกว่าทิ้งไม่ก่อนอาตมานี่ผ่านไว้ในห้างาวน์นี่อาตมารู้แสนรู้ว่าคืออะไรเพราอาตมาเองเป็นคนนั้นและเป็นอย่างนั้นในขณะที่อาตมาอธิบายพวกคุณนี่อาตมาไม่ใช่อาตมาฟังให้ดีนะที่หน้าทาวน์นี่ในขณะที่อาตมาอธิบายสูงพวกคุณฟังนี่อาตมาไม่ใช่อาตมาแล้ว อาตมาเองอาตมาดับแล้วอาตมาไม่อยู่แต่ที่อธิบายสู่ความนี้ใครใครอธิบายรู้ไหมนี่นี่อธิบายอยู่โพริสัตย์อธิบายอาตมาไม่ได้อยู่หรอกนะพรเมื่อใดอาตมาเลิกวางเลิกปรุงวันนี้อาตมาอยู่จบอาตมาก็อยู่อันนั้นมันก็กลับไปกลับมาได้ แต่กลับไปกลับมาได้ต้องเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่ภาษาต้องเป็นสภาวะแล้วเป็นเรื่องนั้นเราเป็นอันนั้นถ้าใครเห็นจริงได้โดยสภาวะของอภิญญาก็เห็นด้วยอภิญญาถ้าใครส า, สามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญาก็เข้าใจได้โดยปัญญาและเห็นได้โดยปัญญาอย่างไม่มีกังขาไม่มีวิจิกิจชาเห็นรู้แจ้งโดยเหตุและผลรู้เรื่องรู้อะไรแต่ไรพวกมันชัดเจนนะเราก็เป็นอันว่าก็สิ้นลงหรือจบลงด้วยเมื่อ ผู้ที่จบแล้วแม้กระทั่งอรหัน